อันนี้สอนไม่สอนเอ่ยดือยไม่เดือยจับ น, กนักมาซากันคะอาจารย์อาจารย์คว่ายังไงนะคุณวันนี้ไปโรงเรียนหรือเปล่าครับไปครับอวันนี้เรียนอะไรบ้างครูสอนอะไรบ้างวันนี้อด้หรอกว่บอาจาร ย, ย์ตหนูก็บางทีอาจารย์ไม่ได้ไปเรียนกันหนูอะครับได้หรออาจารย์ถามว่าหนูเรียนอะไรบ้างเรียนสปอร์ตดิ้ครับ แม่อะไรนะแม่สปอร์ดย์แม่พังรู้เรื่องเปล่าอรเดค่ะพระอาจารย์วันนี้นนออนสปอร์ตเดอได้ถึงรมันได้เรียญทองสปอร์ตเดต้องทำอะไรบ้างวิง่งวิ่งค่ะวิ่งเหรอรวิง่งได้ป่ะได้ได้ไดไดไดเร็วเท่าไหร่ อาจารย์ได้ได้ครับได้นะโอเควันนี้ว่าอาจารย์ในเวลาก็ภาษาเด็กก็ตากทากันไปอย่างนั้นเลยไปเลยไปเลยหวังสาระเลยค่ะอาจารย์เด็กก็เด็กไงก็ยังไปถือสารมันก็แล้วก็แล้วก็กลายเป็นเด็กของเขาไปถ้าเราไปถือสารเด็กก็ค่ะ พรุ่งนี้เขามีงานฮาโ ล, ลวีนที่โรงเรียนค่ะตื่นเต้นอยู่ค่ะเออเด็กว่าไปตามธรรมเนียมของโลกค่ะพระอาจารย์มีมอะไรไหมไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์อะไรว่ากดทีวีได้ไหมครับวันนี้มากับพระอาจารย์เชนเชยค่ะอคขอให้พระอาจารย์ท่านคงแข็งแรงค่ะไว้เด็กไว้นักขวนเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนนะครับ สาธุสาธุโอเคเอ่าไปที่จะแม่กจัจจจที่ต่อกล่าวในพิธการพระอาจารครับอ่าวันนี้จะมาส่งการบ้านเช่นเคยใช่ไหมใช่ครับส่งกัตบ้านแล้วก็รายงานการนั่งสมาธิครับอ่ารายงานมาก่อนง่ายก็คือตอนนี้ก็นั่งสมาธิทุกวันครับวันละครึ่งชั่วโมงครับไม่ขาดครับ แล้วได้อะไรบ้างหลจากการนั่งเไปก็ตอนนั่งก็พุดโทรกับกิเลศผัดกันแท้ผัดกันชนะครับเหมืนช ก, ก็เยอะครับอืมเราเป็นยังไงผลจากการนั่งมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนี่นก็<ช>รู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าสงบกว่าก่อนหน้านี้ครับความกลัวน้อยลงไปไหมก็น้อยลงครับเออ เช่นอะไรเครกลัวอะไรอะี่ไม่กลัวตอนแต่ก่อนนี้กลัวจริงจบมากๆเลยครับแต่ตอนนี้ก็พอเห็นแล้วก็ไม่ได้ก็เฉยๆครับอือะไรแต่ก่อนนี้ก็อาจจะแบบกลัวเหมือนแับกลัวผีครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยกลัวแล้วครับอืมก็ดี ก็พยายามทําไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับการเจริญปัญญาที่ทรงการบ้านนี้เป็นปัญญานะนนจะไม่ให้ดีมีอะไรบ้างว่า ม, มาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่งพความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่งพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดา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 คือ ว, ว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันถเถอดจำไว้ให้ดีนะร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะครอย่อไม่นํำกลัวนะเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเร า, าเป็นซูเปอร์แมนเข้าใจไหมอินว <visible> ิสิบัลแมน ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายพยายามสอนใจไว้สอนให้รู้ว่าตัวเรานี้เป็นใครเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้เราเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ต้องมาลาไปกับสู่ดินน้นลงไฟไปอโอเคในร่างกายมีอะไรบ้างมีผม ขนเล็กฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังพืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่ในสมองสีสัตว์น้ำดีน้ำสเสด น, น้ำเดือง น, น้ำเลือดน้ำเงือ น, น้ำมันข้น น้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหอือน้ำเลือดน้ำเหลือน้ำเฉลตน้ำดีเจื้อในสมองศีสะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ ปอดไตสม พ, พืชตับปัวใจหมามเลี้ยนในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมเห็นไหมเห็นคนแล้วเห็นอาการอะไ น, นี้บ้างไหมก็ เ, เห็นบ้างไม่เห็นบ้างครับไม่ยังไม่เห็นนะนนมีเห็น บ, บ้างครับอ่าทไม่ยามองให้เห็นด้วย ใช้ตาซุเปรแมนเนี่ยตาซุมปรแมนมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังได้ครับ<อ>โอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีคโอเคเดยนไปที่น้องพีต่อน้องพีต้าขอบคุณครอาจารย์น้องพีเมื่อกี้ทาตามหรือเปล่านรรัการหลงตาครับเมื่อกี้หนูไม่ได้ท่องครับ ทำไมเลยเพราะว่าเออหนูไม่รู้ค่ะอ๋อไม่สนใจนะไม่อยากจะเรียนโน้เรลยอาการท่านที่สองนี่ก็หนูก็พยายามท่องท่องพอสักพักหนูก็ลืมตลอดไม่ต้องท่องทุกวันเลยมันจะได้ไม่ลลงของดีนะของวิเศษนะ มีอะไรจะถามหไหมวันนี้ขอขอแม่คำถามคำถามว่าถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิอยู่ตลอดเวลานั่งสมาธินานๆแล้วเราจะเราจะเห็นผลคืออะไรครับ เป็นความสุขเนี่ยเป็นการได้ทําอะไรที่เราชอบแล้วเกิดความสุขขึ้นมาแล้วได้ของขวัญที่เราลักเราชอบเนี่ยแต่ดีกว่าดีกว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหมดมีท่านี่เหรอเพราะว่าหนูเพราเพราะว่าหมามาไปไปอาบน้ํา หนูก็เลยมีคำถามแค่ น, นี้ครับโอเคอั้นง่ท่านนี้ก่อนนะคับสวัสดีขอให้ดองตาถัาดตคันแข็งแรงนะคบอ่าสาธุจ่าจค่ะสอ่าไปที่ตะวันต่อตะวันกับคุณแม่รับมโหสถกรรมพระาช้า์ครับอ่ามีคำถามไหมเออหนึ่งอันครับ หนึ่งงานหนึ่งคำถามเลยคำถามครับอแค่ <c oughs> มามาอะไรถ้ากิเลสมาเราต้องทําอะไรครับฆ่ามนันสิทําอะไระ่ะเวลางูเข้ามาบ้านทําอะไรข้าวหรอือเปล่ากิเลิไห<อ> <ๆ S 2> ม, ม, ม อ, อันตรายยิ่งกว่ากิเลสไหอันตรายยิ่งกว่างูอ่ะงูมันฆ่าร่างกายแต่กิเลสมัน ฆ่าใจนะทําให้ใจมันตกตะลุอทําให้ใจเวียนไหวตายเกินนะงั้นกิเลสโผล่ขึ้นมาฆ่ามันเลยพระพุทธเจ้าสอนให้องค์ุลิมานฆ่าฆ่ากิเลสไม่ฆ่าคนอกิเลสฆ่าไม่ไม่บาปไม่ต้องกลัวอเป็นบุญการฆ่ากิเลสนี่เป็นบุญในการไม่ฆ่าคนฆ่าสัตว์นี่บาปอย่าไม่ฆ่า เวลาเกาโกรธขึ้นมาต้องรีบฆ่าเลยเวลาโกรธคนแม่โกรธคุณพ่อโกรธเพื่อนต้องรีบฆ่าเลยอย่าปล่อยให้มันสะสมอยูใ่ในใจนั่นเองมันจะทําให้เราต้องกลายเป็นฆาตกรไปกลายเป็นผู้ร้ายไปกลายเป็นคนไม่ดีไปเข้าใจไหมเข้าใจครับอ ก็จะรักใคร ย, ยังไงก็จะแล้วใขรยังไงครับอืมก็ต้องรู้ว่ามันไม่ดีมันเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์มันเป็นตัวที่จะทําทให้เราต้องไปอ่าทําสิ่งที่เสียหายต้องรู้ก่อนว่ามันไม่ดีอย่างไรข้าก็คือหยุดมันนั่นเองมอย่าไปโกรธไปโกรธใครก็เปลี่ยนใจไม่กนะ่อนแล้วให้อภัยอ โฟกี้ใช่มไม่เห็นาว่าโฟกี hmm. ้ไหมต้องรู้กันว่ามันไม่ดีมันไม่ดีกับเรามวนจะทําให้นําไปทําสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นน่ า, าจะมาเสียใจในภายหลังเวลาเกิดความโกรธนี้ต้องเลี่ยงข้ามต้องรี่ย ง, งหยุดมันทันทีหยุดด้วยการให้อภัยคนที่เขาทําให้เราโกรธ แม่ก็ทำให้เรากดได้เอาัยแม่ก็ปกิบแม่เลยอย่าไปคาดพยาบาลเข้าใจไหมเข้าครับอันรีกว่าใช้แผ่เมตตาแล้วใช้การเมตความเมตตาดับความโกรธคนที่มีความเมตตาจะไม่โกรธใครจะไม่เกลียดใครจะรัก การรักจะมีแต่ความรักให้กับทุกๆคนใครจะร้ากับเราเราก็ให้อภัยเขาเรายังรักเขาอยู่เหมือนเดิมอยู่วความรักนี้มันไม่ได้เป็นเสียอะไรมันไม่ได้มีความเสียหายมันไม่แต่คุณมีประโยชน์คนเรารักกันก็ดูแลกันช่วยเหล้วกันแต่คนเราเกลียดกันก็ฆ่ากันใช่ไหมต่างประเทศเมื่อได้ข่าวเนี่ย ฆ่ากันอยู่เรื่อยๆเขาฆ่าเราเราก็ไปฆ่าเขาก็าฆ่าเขาก็กลับเกลับมาฆ่าเรามันฆ่ากันมาไม่รู้กี่กี่ร้อยปีแล้วจองเวรจองกรรมกันมาอยู่เรื่อยๆไม่มีวันหยุดไม่มีวันสิ้นสุดนะอย่างไปฆ่าคนฆ่ากิเลสฆ่าความโกรธ้วเราก็จะไม่โกรธใครเราก็ไม่เกลียดใครเราแต่มีความรักมีแต่ความเมตตา โลกนี้อยู่ด้วยกันได้ด้วยความเมตตาวระเจ้าจบอกถ้าเรามความเมตตาแล้วโลงนี้ร้อนเป็นไฟความเมตตาําจุนโลกอาจารยไ์ไหมอาจารย์ครับที่บ้านที่บ้านหนงมีความสุขก็เพราะมีความเมตตาต่อกันนะคุณพ่อคุณแม่มีความเมตตาต่ อ, อ ก, กันแล้วกันก็เลยอยู่อย่างมีความสุขนะ ถ้าไม่มีความเามตตามมีความโกรธเกลียดกนนันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้พอใจไมมต้องเห็นโทษของความโกรธเห็นโทษของกเกลยนะดีค่ะอะไระ้มคกณแม่ พระอาจารย์คะเรื่องความโกรดนิยมได้ยินคําสอนพ่อแม่กูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะอันนี้โยมชอบชอบมากเลยค่ะพระอาจารย์โยมจําได้ว่าท่านพูดว่าถ้าอชนะใจตัวเองได้เราก็ให้ให้อภัยคนอื่นได้ถ้าเราแพ้ใจใจใจเจ้าของเนี่ยเราก็จะให้อภัยคนอื่นไม่ได้อันนี้ค่ะอันนี้คือโยมชอบชอบค่ะพระอาจารย์อืก็ชนะตนดีที่สุดชนะตนกับชนะผู้อื่น ชนะพูดเป็นหมื่นเป็นแสนก็สู้ชนะตนคนเดียวไม่ได้เาชนะตนเราใจจะสมบุกชนะผู้อื่นก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กับผู้อื่นเขาเข า, เขาก็จะมาจองเวรจองกรรมเราแพ้พูดก็ทําให้เราโกรธกอ็อาฆาตพยาบาทเขาจองเวรจองกรรมขเขาอีกอย่าไปอย่าไปชนะผู้อื่นให้ชนะตน ค่ะพระอาจารย์เ อ, อพระอาจารย์โยม <c oughs> มีเรื่องจะรายงานให้พระอาจารย์ทราบนะคะก็คือเมื่อวนันเมื่อวานนี้คุณมาโก้เขารายงานให้พระอาจารย์ทราบแล้วใช่ไหมคะว่า เ, เ, เขานั่งนั่งหกชั่วโมงผ่านไปได้ะค่ะพระอาจารย์อืมก็ดี <c oughs> พระอาจารย์คือถ้าไม่ได้เขาเนี่ยโยมก็คงไม่นั่งอะคะ่ะพระอาจารย์โยมก็นั่งมาเหมือนกนะะันค่ะพระอาจารย์จะเล่าให้พระฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างะคะ่ะพระอาจารย์นั่งมาเหมือนกันคือ คือตอนแรกเนะี่ยโยมก็ไม่คิดจะนั่งนะคะแต่ว่าเมื่อวันอังคารเนี่ยอ่ที่ผ่านมาสัมภาษ์ที่เขาคุยกับพระอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ได้ไอเดียเขาอยากนั่งบ้างคือตอนโยมฟังเค้าเนี่ยว่าเขาจะนั่งโยมก็อืฉันไม่จำเป็นต้องนั่งก็ได้นะเพราะว่าเอถ้าคุณทำฉันก็โมทนากับคุณจะใช้ฝงไม่ทำอาจารย์ตอนแรกโยมมันไม่อยากจะทำเพราะโยมคิดว่าเอตอนที่กลับเมืองไทยลหลายๆครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ดูทีวีเลยไม่ได้ใช้จอทีวีไม่ได้ใช้โทรศัพท์ แล้วก็ไม่ได้คุยกับใครเลยนั่งหลายชั่วโมงบนเครื่องบินเนี่ยโยมคิดว่าอืมเราก็ผ่านมามาได้นี่นานนั่งแค่หกชั่วโมงมันก็ไม่เห็นจําเป็นต้องทําแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ตอนแรกคือโยมก็ไม่ได้คิดจะทําใช่ไหมคะทีนี้ผ่านไปเมื่อวันเมื่อวันพุธโยมก็คิดว่าเอ๊ะแต่ว่านั่งบนเครื่องบินเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่โยมหลับบ้างช่วงที่โยม อ, อทานอาหารบ้างเดี๋ยวนี้ค่ะก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่พระอาจารย์ต้องการให้ ให้หยู่การกระทาทั้งร่างกายทั้งหมดนะคะพระอาจารย์โยมก็คิดว่าเออถ้างั้นโยมก็ลองทําดูอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็อย่างเล็น้อยเนี่ยโยมก็คิดว่าเอออย่างเขาเพิ่งเพิ่งจะมาอ่าปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะเพิ่งไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยพระอาจารย์แล้วโยมปฏิบัติมาหลายปีแล้วถ้าเขาทำโยมไม่ทำโยมก็ว่าโยมเสียยี่ห้อค่ะพระอาจารย์โยมก็คิดว่าโยมก็ทำก็ได้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตอนทำโยมก็ไม่ได้บอกเขานะคะว่าโ ย, ยมทำโยมก็ว่าอุ้ยถ้าคุณทาปุ๊บแล้วฉันไม่ได้ทําเนี่ยแบบ มันไม่ได้สียี่ห้อมันสีซักรีพ่อจานโ ย, ยมก็เลยไปทำมาเมื่อวันพระรหัสอะค่ะพระอาจารย์ที่ผ่านมาทีนี้ว่าออไอตอนนั่งตอนแรกอะคะ่ะพระอาจารย์มันก็โอเคอยู่นะคะชั่วโมงผ่านไปชั่วโมงครึ่งผ่านไปมันก็ยังมันก็ยังได้อยู่อะคะ่ะอาจารย์มันมีทั้งที่สังเกตดูมันจะมีช่วงที่แบบรู้สึกดีด้วยแล้วก็ช่วงที่มีความทุกข์แล้วก็ช่วงที่มันแบบ เฉยๆแล้วก็แบบพอนั่งไม่ได้เลื่ออย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าไอตอนที่มันทุกเนี่ยมันจะผ่านไปได้สักประมาณสองชั่วโมงกว่าๆค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้มันจะเริ่มและมันจะเริ่มเหตุการมาแล้วก็เพราะว่าอย่างโยมเนี่ยจะมีปัญหาว่าโยมจะต้องเข้าห้องน้ําบ่อยใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วทีนี้ไม่ปวดปัสสาวะแต่โยมมากําหนดไว้ว่าภายในหกชั่วโมงเนี้ยจะเข้าห้องน้ําเนี่ยได้แค่สมครั้งะคะ่ะพระอาจารย์แล้วทีนี้ว่า มันปวดก่อนที่โยมอ่ะจะถึงเวลาเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วโยมยังไปไม่ได้แล้วมันนั่งเฉยๆอ่ะโยมก็คิดว่าตอนเนี้ยมันมันมันทุกข์และแล้วสมถะพุทโธพระอาจารย์มันเอาไม่อยู่มันเอาไม่อยู่โยมก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงโยมก็คิดว่าตอนเนี้ยมันอยากจะทําอะไรคือใจมันนะตอนนี้คือมันอยากจะเดินนะคะไปมันอยากจะเดินมากเพราะว่าอยากจะเดินแล้วก็อยากจะฟังอยากจะเปิดธรรมะฟังไปด้วยอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ อทําไมถึงอยากทําแบบนั้นเพราะคิดว่าทําแบบเนี้ยมันเคยได้รับความสุขอะค่ะพระอาจารย์มันเคยมันเคยใช้ร่างกายไปทําไปทําตรงเนี้ยเดินจงกรมแล้วแล้วฟังแล้วฟังธรรมะไปด้วยอ่ะแล้วมันเกิดความสุขเกิดปิติเอตอนที่โยมมีความทุกข์เพราะว่านั่งเฉยๆและปวดปัสสาวะมากๆค่ะพระอาจารย์มันก็เลยคิดว่าถ้ามันเอาร่างกายไปไปไปทำตรงเนี้ยร่างกายมันพอร่างกายมันมีความสุขใจมันก็จะพอมีความสุขไปด้วยอะค่ะพระอาจารย์ตรงเนี้ยคือโยมแบบเก็ตขึ้นมาเลยอะค่ะพระอาจารย์ตอนเนี้ค่ะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตอน อ, อผ่านไปสักสามชั่วโมงพอสามชั่วโมงปุ๊บพอผ่านไปสามชั่วโมงปุ๊บนี่รู้สึกว่ามันจะมันจะเริ่มโล่งแล้วค่ะพระอาจารย์ว่าเ อ, อมันเหมือนกับว่าผ่านไปครึ่งทางแล้วใช่ไหมรู้สึกดีใจว่าตอนนี้มันขาลงแล้วค่ะอาจารย์มันผ่านไปครึ่งแล้วมันขาลงก็แบบว่าเริ่มดีใจขึ้นมาทีนี้ไ อ, อตอนเช้ายมไม่ได้ทานเลยเลยทานแค่กาแฟแก้วเดียวกับนมมาค่ะพระอาจารย์เแล้วก็เลยมันเริ่มหิว ที่นิยมคิดเอ้ยมันหิวนะมันอยากมันอยากจะกินแล้วแต่แบบเอ้ยมันอยากจะกินอะไรโยมเมื่อว่าอ๋อยากจะไปกินไอติมจะไปกินไอติมแบบว่านั่งกินในตีมแล้วก็แบบอ่านั่งดูโทรศัพท์ดู Facebook, เฟซบุ๊กอ่าดูข่าวดูธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องทําบุญการกุศลแล้วก็ดูเรื่องชาวบ้านอะไรแบบนี้ค่ะแต่คือแบบมันฟินอย่างเงี้ยก็คือคิดว่าอ๋อนี่ไงไอความอยากมันมาแล้วค่ะอาจารย์คือว่ามันทุกข์อยู่ใจมันอยากจะ เอาร่างกายไปทําสิ่งที่แบบว่าให้ใจมันมันสุกอะอย่างเงี้ยพระอาจารย์อันนี้คือคืออันนี้คือโยมโยมเกตแล้โยมเกตแล้ว แ, แล้วก็โยมก็คิดว่าอ้าวไหนตอนแรกบอกอยากจะไปเดินไปเดินฟังธรรมะอะไรทําไมอยากจะไปกินอีกแล้วก็ให้มันเปลี่ยนใจง่ยอย่างนี้ทําไมไปนคนใจโลกเลยอย่างนี้แล้วก็ทีนี้ก็ผ่านก็นั่งไปเรื่อกค่ะพระอาจารย์โยมก็นั่งนั่งดูต้นอะไรนะเดี๋ยวก่อนต้นต้นแอปเปิ้ลอะโยมก็นั่งดูต้นแอปเปิ้ลไปบ้างอ่ะดูลูกแอปเปิ้ล เปรียบเทียบกับโยมเองอะไรแบบนี้แบบมันหล่นลงมาอะไรยนยวก็เปรียบเทียบไปวิจารณานู่นนี่บ้างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็สลับการทำสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์จะถามว่ามันทุกข์ไหมมันก็ทุกข์นะคะพระอาจารย์มันก็มีช่วงที่ถูกบ้างที่สุกบ้างแล้วก็ที่ที่มันเฉยเฉยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันต้องแบบหาอุบายมามาช่าวยไม่งั้นแย่มากเลยค่ะพระอาจารย์จนผ่านไปประมาณสักสี่ชั่วโมงครึ่ง โยมก็คิดว่าเย่มันใกล้จะหมดเวลาแล้วโยมก็อ่านก็นั่งไปตอนนี้คือเหมือนว่าใจมันไม่ค่อยดีแล้วเพราะมันรู้ว่าแบบมันจะได้ปล่อยออกจากกกงแล้วอะค่ะพระอาจารย์โยมก็นั่งไปเฉยๆไปก็นั่งภาวนาแบบนั่งลืมตาแต่ว่าเออลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนมันผ่านไปสี่ชั่วโมงเอ้ยผ่านไปห้าชั่วโมงครึ่งแล้วจะครบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อยากจะออกแล้วค่ะพระอาจารย์มันเฉยๆแล้วค่ะมันรู้สึกว่าจะนั่งต่อไปอีกสักหกชั่วโมงครึ่งก็ได้หรือต่อไปอีก พอนาฬิกามันมันมันมันมันมันมันมันหมดอ่าพอนาฬิกามันดังอย่างเงี้ยโยมก็ความกังวลมันมาแล้วอ้าวเดี๋ยวเจ้าตะวันจะมาบ้านแล้วพระอาจารย์ความกังวลมาแล้วมันไปแล้วเดี๋ยวเจ้าตะวันจะมาบ้านแล้วแล้วโยมยังไม่ได้เดินจงกรมวันนี้เลยค่ะพระอาจารย์โยมก็เอ๊ะทำไงดีจะนั่งต่อหรือว่าจะเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือว่าโยมก็ตัดสินใจไม่นั่งแล้วโยมก็ไปเดินแต่เดินไม่ได้ฟังเลยนะครับะเดินอย่างเดียวเพราะว่า ก็ตอนแรกที่นั่งอ่ะไหนบอกว่าอยากเดินอ่ะก็เดินให้มันหนาใจเดินไปเดินแล้วเจ้าตะบันก็มาบ้านอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ดีผ่านไปได้ก็ถือว่าโอเคหนึ่งมันก็ได้รือว่าทุกมากทุกน้อยใช่ค่ะพระอาจารย์ถ้าสติดีก็ทุกน้อยถ้าสติไม่ได้ก็ทุกมากคือโยมคิดเลยว่าถ้าโยมไม่ได้ฝึกละไอตัว หาความสุขทางกรรมคุณในรูปแบบต่างๆอะให้มันน้อยลงอ่ะคิดว่าเครียดกว่านี้มากเจ้าค่ะพระอาจารย์ยองคิดว่าโยองจะเครียดมากกว่านี้เพราะว่าตอนโยมรู้เลยว่าใช่ครับพระยมรู้เลยว่าทําไมไอ้ตอนที่มันนั่งอยู่อ่ะใจมันไปที่ไหนมันอยากจะไปหาความสุขที่เคยทําในชีวิตประจำวันอย่างเช่นว่าอ่าไปกินแล้วก็เดินจงกรมฟังธรรมะอ่าอ่านหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็แบบอ่านข่าวอ่านอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ไอ้สิ่งที่เราเคยทําปัจจุบันที่ให้ความสุขเราอ่ะ ใจมันจะไปตรงนั้นนะคะพระอาจารย์มันมันจะเปลี่ยนแบบมันอยากจะเอาร่างกายไปทาสิ่งเนี้ยเพื่อให้ใจมันมีความสุขค่ะพระอาจารย์อืมแล้วได้ไ ด, ได้ได้นั่งสมาธิบ้างในช่วงนั้นนั่งคะ่ะพระอาจารย์ก็คือว่าตอนตอนที่ทําเนี่ยคือว่าเอ่าโยมก็คือนั่งบนโซฟาฉันก็ได้นั่งขัดสมาธิคิดว่าประมาณครึ่งต่อครึ่งนะคะโยมได้นั่งนั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาไปด้วยมีทั้งนั่งแบบลืมตาแล้วก็นั่งมองถังขยะตรงตรงสวนบ้าแต่ว่าไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นเอ่อ ท้องฟ้านะคะก็คือว่านั่งอ่าพิจารณาลูกแอปเปิลนั่งดูถังขยะนั่งพิจารณาร่างกายแล้วก็ทําใจให้สงบด้วยอะคะ่ะพระอาจารย์แต่บางช่วงไงไอ้ตอนที่ปวดปัสสาวะมากๆอะตอนนั้นโยมไม่ไหวพระอาจารย์โยมาต้องพิจารณาสามุ ท, ทยัยโยมาต้องพิจารณาอาาริยสัจตอนนั้นนะคะว่าใจว่าตอนเนี้ใจอะมันอยากจะหนีทุกข์มันจะไปทําอะไรโยก็ว่าเออถ้ายโยมันได้ได้ไปเดินได้ฟังธรรมะเหมือนเพว่ามันเปลี่ยนจุดโฟกัสอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันจะช่วยคลายทุกข์ไวได้บ้างนะคะพระอาจารย์ มันก็เป็นเรื่องของความอยากเท่านั้นที่เราต้องการอยาเปล่าใช่กับอาอจารย์ก็ดีถ้าทำทำบ่อยๆหน่อยก็ดีอย่าเพิ่งทำคนเดีย ว, วก็เลยพระอาจารย์ทำอีกแล้คอค่ะพระอาจารย์โยมาอีกครั้งเมือ่อวันพระอาจารย์โยมาทำพระเลขาธช่นไหมคะแต่โยไม่ได้บอกคุณมากโก้เขาแต่โยมาเกิดไปแล้วว่า โ hmm. ย, ยมเกินก็ไว้แล้วว่าถ้าคุณโทรมาฉันอาจจะไม่รับสายหรือว่ารับสายก็ได้นะอะไรเงี้ยเขาก็แบบให้รู้ไปเอออาจจะไม่รับสายเดี๋ยวเขาจะกังวลว่าเกิดอะไรขึ้นกับโยมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์โยมไม่รับไม่รับโทรศัพท์บบก็เรื่องหัดทีนี้บอนอาทิตย์คุณคุณมาก็เก็นั่งใช่ไหมคะพระอาจารย์ทีนี้โยมก็เลยถือโอกาสไอ้หกชั่วโมงที่เขานั่งเนี่ยโยมก็ลองดูว่าไอ้ตอนแรกอ่ะที่ว่านั่งอย่างเดียวใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วไม่คุยไม่กินไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยยกเว้นไปเข้าห้องน้ําอย่างนั้้้นอออยยยย่่่าาาางงเเเดดดีวววแลลก็ไไไมมทํะรโคิ ลองใหม่จากอิริยาบถนั่งอะค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยเอาแค่นั่งกับเดินไม่ได้ฟังอะไรทั้งสิน้นไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไม่ได้กินไม่ได้คุยหกชั่วโมงอะค่ะพระอาจารย์โยมคิดว่าพอลองทําเปรียบเทียบกันนะคะพระอาจารย์โยมคิดว่าไอ้ตัวอิริยาบถอะมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหรอ่อ่ะถ้าใจมันสงบอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอวันที่โยมเดินด้วยอะสามชั่วโมงนั่งสามชั่วโมงเนี่ยมันก็เพล่เพมันทุกมากกว่าวันที่นั่งเอี๋ยค่ะพระอาจารย์เพราะร่างกายมันเพียจากการเดิน ไม่หรอกมันมันมันมันหนีไปเดินมันอยากจะเดินไปโยนไปตะโกนใส่เฉยไงพระอาจารย์ที่บอว่าแม้กระทั่งความอยากเดินก็ไม่ให้มันอยากจริงจริงค่ะพอาจารย์คือยศคือแบบไม่ไม่ให้ดูอ่ะมันอยากจะไปดูมันอยากจะมันอยากจะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านมันอยากจะไปอ่านข่าวมันจะไปกินอะไรเงี้ยความอยากมันยังอยากทั้งหมดให้มันอยู่เฉยให้มันเฉยเพราะว่าตอนเด็กมันได้เดินแล้วใช่ไหมครับพระอาจารย์มันอยากทำอะไรมันอยากจะนอนกับพระเด็ก มันอยากจะนอนมันอยากจะนอนอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันไม่มีมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงค่ะย่เดี๋ยวพอได้นอนปุ๊บเดี๋ยวดียมันก็ต้องอยากไปทำอะไรอื่นอีกแล้วแน่นอนอยากทั้งวันอ่ะอยากเรื่องนี้แล้วก็อยากเรื่องนั้นอยากเรื่องนั่นอยากเรื่องนู้ต่อนอนต้องการเท่ปราไบตัวความอยากนี่ใช่ค่ะพระอาจารย์ทําบ่อยๆแล้วจะทำให้สติดีแล้วความอยากมันจะเบาลงแล้วต่อนไปนั่งสมาธิมันจะสงบได้ง่าย ถ้าตอนนั้นอะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่มีความสุขจากแบบความสงบจากการทําทําทําอดูลมหายใจหรือความความสงบจากการนั่งพิจรารณาอะไรเงี้ยให้ใจมันเพลินแต่ว่าพิจารณาในเรื่องธรรมนะคะพระอาจารย์บางทีโยม ก, mm hmm. ก็ก็นั่งแบบมีสติดูว่าจิตมันคิดอะไรไปบ้างแกจะรู้ว่าเออถ้ามันไม่มีความสงบเนี่ยใจมันจะฟุ้งไปเรื่องไหนอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าดูดูดูดูนิสัยตัวเองว่ามันจะไปทางไหนอย่างเงี้ยค่ะพะคือมันต้องต้อ ง, องมันก็ เออมันได้เรียนรู้ตัวเองเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์มันได้เรียนรู้ตัวเองเยอะมากเลค่ะพระอาจารย์ก็ดีแต่บางทีมันก็ไม่เราไม่ต้องเรียนรู้อะไรต้องการหยุดความอยากอย่างเดียวหยุดความคิดด้วย <c oughs> มันก็หา <c oughs> ช่อง <c oughs> หลอกเราไปเรื่อยๆ <c oughs> หลอกให้เราไปเรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้หให้เราไปคิดไปดูไม่ให้ไม่ให้ท่านที่ย้ายดูลงท่นที่ย้ให้ดูอาการทานทีสองไม่อยากไม่อยากให้เราดูหรอก ถ้าดูจิตจะสงบนิ่งสบายกว่าเยอะอย<ต>พะถ้ายมถ้าเข้าทานได้นี่มันจะไม่ทุกข์เลยนะคะอาจารย์แต่พยมมันไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นนะคะอาจารย์มันก็มีช่วงสงบแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้เยอะอะค่ะพอาจารย์การทำไปเสร็จมันแค่ครั้งเดียวยังไม่พอลองทํําทาเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> แต่คุณมาก็เคขาคืนนะเขาจะทําอีกรอบหนึ่งโยกบอกว่าขออนุโมทนาด้วยค่ะรู่งนะถ้าทํารอบเดียวแล้วก็หยุดมันก็ยังแสดงว่ามันก็ มยมยทำเปรียบเทียบกันพระอาจารย์รอบแรกนั่งอย่างเดยวแต่รอบสองนี่ น, นั่งกับเดินค่ะพระอาจารย์แต่ไม่ได้ฟังไม่ได้ดูไม่ได้คุยนะคะพระอาจารย์ไม่ได้กินด้วยค่ะพระอาจารย์<ม>อยากจะเป็นในอนาคตอาจจะค่ะพระาอาจารย์อาจารย์ในอนาคตค่ะ<ม> <c oughs> แต่พระอาารกิเลสมันก็กิเลสมันก็มาบอกอย่ค่ะพระอาจารย์โอ้ยมันตึงมันตึงเกินไปหรือเปล่ามันต้องแบบต้องสบายต้องแบบว่าต้องอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ใชเพรอาจารย์949วันว่า ให้ค่าอาจารย์เราเพียงแต่แค่นั่งเฉยๆไม่เลยทรมานั่งกายเลยไม่เตึงตรงไหนเราถ้านั่งไม่ให้ขยับแล้วนี่ยอาจจะตึงกว่านี่ยัง<ม>อันนี้ให้ขยับจากนั่งให้ก็มายืนได้แต่เพีงแต่ให้มันอยู่ตรงจุดนั่งกับคกำจ่ายกรอบสถานที่ไม่ให้มันออกไปจากจุดนั้นพร ะ, จพระจใจมันอยากจะออกมันอยากจะเปลี่ยนที่ไม่อยู่ที่ไหนสักที่มันก็เบื่ออยากจะเปลี่ยนที่ ยิ่งตลาชนะความอยากเปลี่ยนที่ไดนต่อไปแล้วสบายอยู่ที่ไหนก็สบายไม่ต้องวิ่งแบบลูกปิงปองกิ้งไปกิ้งม า, อ า, งอาลองทําไปถ้าทำได้ก็ดีถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ว่าไนนี่ไม่ได้เป็น <laughs> ไพ่บางคำแต่คิดว่าถ้าทำํำอ่ะถ้าทํำบ่อยๆจนมันชินอ่ะมันจะ คิดว่ามันได้เพราะใจเพียงแต่ว่าใจโยมะจะสูห้หรือเปล่าตอนนั้นหรือเ ม, มัน ก, มนก็มันก็คิดได้นะแต่ยังทําไม่ได้อยูน่นั่งแล้วเอาเอาการกระทาเป็นเครื่องวิสุทธเอาความคิดเป็นเครื่องวิสุใช่ขอพระาอาจารย์ใช่ขอพระอาจารย์อยือ่มนชอบหลหอกให้เราคิดง่ายของ่อนี้ทำไงก็ทําได้แต่แต่ไม่ทำไม่ยอ ม, ม, <า>มทำ แต่ตอนแรกที่โยมมันตอนที่โยมจะไม่ทําแล้วโยมก็หาข้ออ้างค่ะพระอาจารย์ว่าอุ้ยนั่งอยู่บนเครื่องบินก็ทํามาแล้วอะไรเงี้ยแต่คิดว่าลึกๆ ก, ก็รู้ว่าถ้าทํำแล้วมันต้องทุกข์แน่คือมันไม่อยากจะจะจะจะไปเจอความทุกข์ตรงนั้นเนี่ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยคิดว่ากิเลสมันก็หลอกว่าเอออย่าไปทําเลยอะไรเงี้ยอืมดีมันเราจะได้มีเครื่องมือสู้กับความทุกข์ต่อไปเวลาเราเจอความทุกข์ที่เราหนีไม่ได้เราจะได้ต้องใช้สติปัญ ญ, ญาสู้มันค่ะพระอาจารย์โอเคดีมาก าามีอะไไหมกเอ อ, อตัวเนี้โยมไอเรื่องโยมอ่ะเออตอนนี้โยมเดี๋ยวนะคะพระอาจารย์อืมโยมมีคําถามเรื่องการพิจารณาอาหารนะคะพระอาจารย์ก็คือว่า อ, อวันนั้น อ, ะอ่ะวันนั้นก็คือว่าอ่าไม่ได้ทานข้าเวเย็นกันใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็ทีนี้เจ้าตะวันเขาเอ่าทานอะไรนะเดี๋ยวก่อนอ่าหมูกระเพรา เขาเอาเขาตักหมูกระเพรามาทานเขาใช่ไหมคะแล้วโยมก็เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านเนี่ยพอดีโยมเห็นหมูกระเพาก็เป็นของโปรดและอยากกินใช่ไหมคะพระอาจารย์ทีนี้ว่าเออยู่ดีๆมันก็คิดถึงว่าอาหารในจานเนี่ยเอแปรสภาพว่ามันมันมันเน่าอะค่ะพระอาจารย์ไปถึงว่าจากที่มันมันดีๆอยู่อ่ะมันก็ค่อยแปรแปสภาพแล้วก็แบบมีกลิ่นเหม็นเหม็นเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไอ้ตัวนั้น่ะมันก็คือมันเข้าไปในร่างกายของเรา แล้วมันก็ออกมาทางลูทวายอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แสดงว่าไอ้อาหารเนี่ยคือร่างกายที่มันเน่าอ่ะก็เพราะว่าเรากินสิ่งที่เน่าเข้าไปมันก็เลยออกมาทางลูทวานเป็นกลิ่นเหม็นอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์คือซึ่งซึ่งจริงๆแล้วว่ามันก็คือเรากินของเน่าอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ตอนนั้นความอยากมันก็หายไปนะคะพระอาจารย์อันนี้คือโยมก็อันนั้นไม่เป็นครั้งเดียวที่ที่โยมเอามาทําแล้วมันช่วยได้ค่ะพระาพอาจารย์ แล้วทําไงทําให้เราหายอยากกินก็แล้วกันใช่ใช่ครับพระอาจารย์ตอนนั้นมันอยากหยุดเพียงแต่เห็นผ้าก็พอพอมันเข้าไปในปากแล้วเรองเคี้ยวดูคือผสมน้ําลายแล้วลองทายออกมาดูมันดูที่จะตัดขับเข้าไปกินใหม่แล้วไม่เอาค่ัพระอาจารย์อ่ะผมยุ่นแล้วก็ยู่นเบาของเราผมก็อยู่ปเบาของเราอยู่ร่างกายของเราเอาความดูน้าหนักแล้วเรากลับเข้าไปใหม่แคนี้มันเจะเนื้อเรื่องอกิเลมันเป็นอย่างเนี้ย ทั้งรักทั้งชังอาหารอันเดียวกันเนี่ยรูปแบบหนึ่งก็รักไว้อยากกินไว้รูปแบบนี้ก็ชังขึ้นมาทันทีแตะไม่ได้เลยเคยแต่ต้องอจจาระของตนเองบ้าหมแต่เวลาเข้าปากก็เข้าได้ใช่ค่ะต้องค่อยๆสอนนะคะพระอาจารย์เพราะว่าโยมก็ปัญญาน้อยต้องค่อยๆสอนมันทุกคนต้อคค่อยๆเลยต้องหาก่อนิ เอามันเลยมันไม่ค่อยๆมันเมืม่อไหร่เลยต้องหักดีไปเลยคะพระาจายเออเกอยวไปรักเกยวไปช้างอาตอนแล้วแล้ววันนั้นเนี่ยโยมก็เฮรู้สึกว่าอันนี้หรืออาจจะถูกจริตอะค่ะพระอาจารย์โยมก็ไปดูกับกับคุณมาโ ก, ก้ดูอาหารที่แบบ <c oughs> ใน y o u t u พระอาจารย์โชคดีมัน YouTube มันจะมีเยอะมากเลยค่ะที่เขาถ่ายภาพวิดีโอ อ่าห้าชั่วโมงผ่านไปหนึ่งวันผ่านไปสองวันผ่านไปสภาพอาหารเป็นยังไงอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์อันนี้ยกชอบชอบค่ะพระอาจารย์นั่งดูกั น, นเพลินเลยค่ะพระอาจารย์ก็ดีเป้าหมายก็เพียงแต่ให้เราควบคุมความอยากกินอาหารนอกเวลาได้แล้วกันในเวลาก็อย่าไปควบคุมเดี๋ยวมันต่อไปมันจะมีปัญหากินอะไรไม่ได้เลย ออพระอาจารย์โยมยังไม่ไปถึงขั้นไหนบางคนปฏิบัติพิจารณาอยู่ตลอดเวลาพอถึงเวลากินก็กินไม่ลงอันนี้ก็ต้องหยุดนะค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ค่อยๆเอะอาขาพระอาจารย์ก็ฝึกเท่าที่จะฝึกได้ไค่อยไค่อยเกี่เลยโยะูดอะไยมต้องระวัคพูดแล้วเดี๋ยวลูกศรมันกลับมาหาตัวโยมกิเลสว่าค่อยๆหน่อยค่อยๆเลย ป้าอาจารย์ <Okay. S 2> โยมคุณหยาป้ต้องต้องฮาร์ดคอร์ดูค่ะพระท okay. <ด> ร, ะระาบโอเคค่ะ <Okay. S 2> พระอาจารย์ก็มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ว่า <Okay. S 2> ขอบกุณพระอาจารย์มากๆอ่าไปที่คุณแอนต่อคุณแอนแตอนนี้อยู่ที่ไหนไปทํางานแล้วเหรอาสาธนรมาศการหลวงพ่อเจ้าค่ะยังอยู่กรุงเทพค่ะเดี๋ยวบินพรุ่งนี้แล้วค่ะอเวลาบบินนี่บินไปบินเพื่อไปไปทํางานแล้วบินบินบินทํางานไปเลย เอแล้วแต่ค่ะอย่างถ้าบินสั้นก็อก็ก็บินเลยค่ะพรุ่งนี้บินเลยบินแค่สามวันไปญี่ปุ่นอย่างเดียวแต่อย่างถ้าบินที่จะต้องไปแบบนิวยอร์กไปไกลๆเนี้ยค่ะส่วนใหญ่จะนั่งไปพัทยากรุงเทพค่ะถ้าไปตัวเกลียวก็จะนั่งไปเป็นผู้โดยสารอ่าแต่พวกนี้ก็พวกพวนี้ก็ทํางานเลยขึ้นเครื่องใช่ค่ะใช่ค่ะพอดีว่าพรุ่งนี้เป็นไปแค่แค่สามวันนะคะ ก็เลยทํางานไปกับค่ะไปสั้นๆไปเกิดเล็กๆแน้อยอยากจะรู้ว่าต้องไปตั้งต้นที่โตเกียวทุกครั้งหรือเปล่าไม่ต้องส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะต้องคือฟลาของจะเป็นอะไรก็คือพวกหนูก็คือจะเป็นฟลาออกจากญี่ปุ่นหมดเลยค่ะแต่มันจะมีแค่กรุงเทพญี่ปุ่นเนี้ยค่ะที่ที่ที่ก็จะเป็นเป็นของกรุงเทพเบสของลูกเรือกรุงเทพที่จะทํากันอยู่แล้วอะค่ะค่ะ แต่ว่าไม่มีไฟดเา็กไปไปยุโรปหรือไปหรือไปอเมริกาจากกรุงเทพโดยตรงแต่เรื่องที่โตกเกียวนะใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปออสกาค่ะวันนี้ไม่มีคําถามเลยนะคะหลวงพ่อมามาเข้าคลาสค่ะลองนั่งเฉยๆดูบ้างก็ได้คืออยู่เป็นเครื่องตลอดแล้วเป็นชั่วโมงชั่วโมงหนูลองดูนะคะหลวงพ่อที่ที่เอ่าล่าสุดที่หนูกลับจากกลับจากไปส่งคุณพ่อที่ออสเตรเลียค่ะ ก็ลองนั่งนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็นั่งได้แบบว่าอย่างที่เหมือนเหมือนเหมือนอีกขั้นนึงที่ทำอะค่ะก็คือมันมันมันก็หลับไปบ้างมันหลับมันเขานั่งไปแล้วมันก็เองพิงบอกไปมันสบายค่ะมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีสติสติหลุดแต่ว่าตอนที่หนูขับรถมันก่อนที่หนูบอกลุงพ่อว่าไปขับรถไปกับกรุงเทพเอ่าพัทยาค่ะ หรือว่ามันมันเป็นช่วงเวลาในการฝึกสติกับพุโทโธได้ดีมากเลยค่ะหลวงพอ่อเหมือนกับพอจตจะฟุ้งไปคิดคิดเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องที่ว่าเราจะทำอะไรต่อหลังจากที่เราไปถึงพัทยาแล้วเลยค่ะก็ก็ไม่คิดค่ะก็แบบดึงให้มันเป็นพุโทโธพุธโทโธไปตลอดทางให้มันอยู่ในปัจจุบันอนาคตไวถึงเวลาเราไปคิดใช่ค่ะช่วงนี้ก็เลยก็เลย กพยายามฝึกอยู่กับพุโทโธให้ได้เวลากับปัจจุบันนะคะพอจะเริ่ ม, มคิดฟุ้งซ่านจินตนาการอะไร<ม>ไปเรื่อยเปื่อยก็ดึงรีดดึงกลับมาเป็นพุโทโธก็ก็ดีค่ะใจก็สบายขึ้นใจว่างขึ้นใจสบายใช่ค่ะใช่ค่ะมันจะรู้สึกรู้สึกเหมือนพอพอเริ่มจะออกนอกลู่นอกทางหรือว่าขับรถแล้วโมโหคนนั้นคนนี้ค่ะมันก็มันก็ มันก็ยังโมโหนะคะแต่มันรู้สึกมันละอายมันก็จะเอ๊ะดึงกลับมาพูดโธพูดโธวไม่ไม่ไม่ไปโกรธไม่ไปว่าเขาแล้วก็ไม่ไม่ไม่แบบว่าทําให้ตัวเองหงุดหงิดนะค่ะอก็ยังมีอยู่มีมีมีความหงุดหงิดแต่ว่ามันดึงกลับมาได้ช่วยได้ค่ะนี่ปฏิบัติไปเรื่อยๆสเตินี้ฝึกไปเรื่อยๆค่ะจะพยายามไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณหลวงพ่อที่คอยแนะนำสั่งสอนค่ะ อไรที่กับลูก ต, ต, ตาลตลูกตาลชนบุรีนามส ก, การคะ่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีคำถามค่ะโอเคโปรแกรมซูมนี่มีถอดออกไปด้วยหรือเปล่าไม่ได้ถอดถอดแต่เทศอย่างเดียวถอดแต่เทศธรรมนากุติคะ่ะตอนนี้วันวันนี้ถอดเรื่องความถูกคะ่ะอืมค่ะยังยังไม่จบค่ะต้องพรุ่งนี้ก็จะจบปะค่ะอาจารย์ โอเคจะเป็นประโยชน์นะใจก็สงบเวลาถอดอถอดเส<ด>ิยงถอดสียงธรรมะมันก็ทำให้ใจเราสงบได้นะก็ได้ฟังทำไปด้วยค่ะอาจารย์ฟังอย่างละเอียดเลยค่ะก่นอไปก็อมามนวโมทนาและเป็นประโยชน์กับผู้อื่นต่อไปเวลาวางแ้นเป็นหนังสือค่ะถ้าถ้าพี่พี่ท่านไหนอยากทำหนังสือ จับตอนไหนก็แจ้งหนูได้นะคะขอคอนแทคจากพี่แก้วหรือว่าคุณคิงก็ได้ค่ะหนูยินดีที่จะถอดให้ค่ะอโอเคอาอเาาสกกาธุค่ะกับนวัสกานคระอาจารย์คุญแจกับพี่สาวอาทิตย์แล้วไม่ได้เข้ามาใช่ไหมใช้ค่ะพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วเกเลค่ะอาทิตย์นี้มีอะไรไหมอาทิตย์นี้หนูมีคําถามเรื่อง ความเพียรค่ะพระอาจารย์คืออะไรที่มันเป็นเหตุที่จะทําให้หนูเพิ่มความเพียรในการปฏิบัติแล้วก็เพิ่มไม่ใช่แค่ความเพียรแต่เหมือนกับความสม่ําเสมอด้วยอะค่ะมันก็มีหลายเห็นเห็ น, หนอันหนึ่งก็คือถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์โดยตรงเนี่ยมันทุกครั้งที่เราฟังเทศฟังธรรมจากทา่านมันจะทําให้เราเกิดมีกําลังใจเพราะเป็นเทศที่เป็นธรรมที่เป็นความจริง ท่านท่านจะเล่าประสบการณ์ของท่านรต่างๆให้ฟังเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วใจเราก็ที่มืดบอดมันก็เลยเห็นช่องทางเห็นทางไปมันก็เลยทําให้เรามีกําลังใจตอนทําไม่ที่อยู่คูบาอาจารย์นี่ท่านจะคอยเรียกมาอบรมภาะทุกนกั่งๆนี่ประมาณทุกห้าวันสี่ห้าวันอามาท่านก็พอดีถ้ามีภารกิจอย่างก็้ดน้อยหนมหรือเจ็ดวันบ้างสิบวันบ้าง แต่ทุกครั้งที่ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วมันมีกําลังใจจิตที่กําลังเฉากําลังซึ้งพอได้ยินมันเหมือ น, นต้นไม้ได้น้ํามันมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วหลังจากฟังธรรมแล้วกลับไปนั่งสมาธิต่อเดินจงกมได้หลายชั่วโม ง, งการฟังธรรมอย่างสนามสมาธินี้ก็จะช่วยได้ช่วยให้เรามีมีมีม มีฉันทะวิริยะนะมีอธิบาทสี่อีกอย่างก็อาจจะให้พิจารณาความตายบ้างก็ได้อันนี้ก็บางทีก็ช่วยได้แต่ก็ต้องระวังถ้าจิตมันไม่พร้อมที่จะรับความตายก็คิดถ้ามันทําให้เราเศร้ามันก็อย่าไปคิดแต่ถ้าคิดว่าเวลาเรามันน้อยลงทุกวันนะชีวิตเราสั้นลงทุกวันเหมือนต้นเทียนเะนี่ย อเรา่มจุดไฟน้อไฟมันก็จะค่อยๆกินต้นเทียนไปทท่เไรเล็กแน้อยเวลาของเราก็จะเหลือน้อยลงไปโบราณท่านบอกว่าน้าขึ้นให้รีบตักตอนนี้เรามีเวลาให้รีบใช้ให้มันเกิดประโยชน์พอเดี๋ยววันนึงวันดีคืนดีมันจะจบลงเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันก็ต้องสังเกตดอว่าอันไหนมันเหมาะมันมันใช้ได้ในตอนไหนก็ใช้อันอันนั้น แต่การได้ยินไดฟังธรรมเนี้ยโดยเฉพาะถ้าได้ยินสดๆได้ฟังจากท่านโดยตรงนี่มันก็จะเกิดกาลังใจแต่ถ้าไม่สมัย น, นี้ก็อาศัยฟังเทศที่ท่านท่านแสดงไว้บันทึกไว้เป็นเสียงก็ได้เป็นหนังสือก็ได้มันก็ช่วยได้เหมือนกันสมัยที่เราอยู่บ้านตากถึงแม้ว่าจะอยู่กับท่านเราก็ยังอ่านหนังสือของท่านทุกวันเอนเวลาอย่างเช่นวันละเช่วโมงมาอ่านหนังสือธรรมะที่ท่านที่ท่านแต่งที่ท่านเขียนขึ้นมา วัติหลวงปูม่ม่านเนยปฏิปทาพระทุดงกรรมฐานเนีเราอ่านนะดังต้องมีธรรมหล่อเนื้อจิตใจอยู่เรื่อยๆทำเมกันจะาให้เรามีกำลังใจมันจะเตือนสติให้เราไม่ให้ประมาทและให้เราเห็นคุณค่าของการการทาความเพียรเพราะว่าถ้าไม่ทำความเพียรมันก็ไม่มีทางที่จะบรรลุผลที่เราต้องการได้ อดทนจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรพอจะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะพาจารย์ที่นี้พราจารย์คะปกติหนูฟั ง, ฟ, ง, ฟ, งฟังทำผ่าน y o u ูทูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะจริงๆหนูก็ฟังทุกวันน่ะนะคะแต่ว่าหนูคิดว่ามันอาจจะผิดตรงที่ว่าหนูฟังส่วนมากก็คือหนูจะฟังไปทํางานไปอะไรอย่างเงี้ยค<น>่ะมันจะควายเป็นเหมนอน มันฟังแบบทับที่ในหม้อกแกงเข้าใจไหมสนใจกับเสียงธรรมแต่มันไม่เข้าไปในใจเข้าใจแล้วต้องฟังแบบลิ้นกับลิ้นกับแกงแม้แต่แกงหยดเดียวแต่ลิ้นก็นจะรู้ว่าเป็นรสชาติอะไรอก็ต้องฟังแบบกายวาจาใจนิ่งสงบไม่ทําอะไรไม่คิดอะไรไม่พูดอะไรอยู่กับเสียงธรรมอย่างเดียวอันนั้นน่ะมันเพียงยัได้ประโยชน์ เข้าใจนะคะไม่งั้นมันจะเหมือนไม่ต่างอะไรกับการดูอะไรที่ทําให้เพลิดเพลินอย่างหนึ่งแต่พอดีพอดีว่าเราชอบความเพลิดเพลินทางธรรมมันก็เลยเข้าใจไปว่าจะมีประโยชน์แต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ช่วยให้สร้างความเพียนไม่ได้ช่วยให้นั่งสมาธิเพิ่มหรืออะไรก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนวิธีฟังนะคะเด<อ>ี๋ยวจะลองทําน้องฟังแบบเป็นกิจกาลักษณะนั่งเฉยๆแล้วก็ไม่พูดไม่คุยกับใครไม่ทําอะไรตสนใจก็ไม่คิดเรื่องอืน ไห้อยู่กับเสียงธรรมอย่างเดียวในพิจารณาธรรมที่ท่านแสดงไว้ด้วยเหตุด้วยผลตามไปตามไปมันก็จะเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาเกิดความรู้ทาให้เกิด ม, ม, มีความมีชันทะมีความยินดีในธรรมเพิ่มมากขึ้นเข้าใจแคะพระอาจารย์ น, นี้<ม>ของหนูเท่านี้ค่ะไม่ทราบพี่สาวมีอะไรหรือเปล่าท้าวาสการ์พระอาจารย์ค่ะก็ไม่ได้มีคําถามอะไรมากค่ะพระสาราแต่ว่าปัญหาตอนเนี้ยก็คือ คือช่วงแรกที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่แบบเ อ, อไม่ไม่ค่อยสบายใจมีความทุกข์ทำงานแล้วก็เ อ, อคิดว่าเหมือนเหมือนมีความทุกข์เยอะนะคะพะาศรา์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยได้ปฏิบัติแบบเหมือนเฟังธรรมเยอะพอสมควรช่วงนั้นที่ที่เป็นช่วงเริ่มต้นของน้องสาวนะคะคราวนี้พอพอดีขึ้นหมายถึงว่า จิตใจดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยมันไปทางานทางโลกได้มากขึ้นแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้งานเยอะมากเลยค่ะอาจารย์แล้วก็ไม่ได้มีเวลาปฏิบัติเหมือนเหมือนช่วงที่เข้าแรกๆค่ะก็เลยคิดว่าเออก็จะพยายามเหมือนลดงานทางโลกให้ให้กลับเข้ามาเหมือนตอนช่วงตั้งต้นค่ะอาจารย์ก็ต้องมีแบ่งเวลาให้กับการศึกษาการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้าหนึ่งกำหนดให้มีวันพระขึ้นมาเนี่ยวันพระให้เราหยุดภา ร, รกิจการงานทั้งหมดเลยทิ้งไปเลยหนึ่งวันกันหนึ่งคืนนี่ให้กับให้ให้เวลากับการศึกษากาับกรากรปฏิบัติธรรมถ้าทําได้ก็ดีเพราะมันถ้าปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องนี่มันจะได้ผลดีกว่าปฏิบัติแค่วันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนี้่ถ้าเราลองมีวันพระเราลองถือวันพระตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมา วันที่เราไม่ทํางานเราไม่ไปทํางานแต่เราต้องปรับวันพระของเรานะเพราะว่าสมัยนี้วันพระมันไม่ตรงกับวันหยุดทํางานเราจะต้องถือวันพระเป็นวันวันวันที่เราหยุดทํางานเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่แล้วเราก็หยุดทํางานไม่ต้องไปทํางานแล้วเราก็ไม่ทําภารกิจอย่างอื่นนอกจากเปิดวิเวกอยู่คนเดียวแล้วก็ฝึกสตินั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะอะไรไปเนี่ยเอาแต่เรื่องกิจกรรมทางธรรมอย่างเดียว อันนี้มันจะได้ได้ประโยชน์มากกว่าก็ลองถ้าลองหาเวลาถ้ทําได้ก็ดีนพระพุทธเจ้าก็หมันพระไว้ก็เพื่อเรามามาศึกษามาปฏิบัติทำคันธ ท, ทุระวิปั ส, สนาทุระคันธก็คือศึกษาลําเลนวิปั ส, สนาก็คือการปฏิบัติเพื่อให้รู้งจ้างเห็นจริงตามคํอคาสอนที่ได้ศึกษามา เสียดายคนไทยเราถุกถูกขโมวยวันพระอะไรอย่างนี้เพาะมื่อก่อนเราหยุดสมัยก่อนสมัยโบราณก็วันหยุดทางานก็อยู่วันพระกันเท่านั้นต่อมาเมื่อมีการค้าเชื่อมต่อกับต่างประเทศก็เลยต้องเปลี่ยนต้องหยุดตามเขาเขาเป็นคริสเขาก็ายังได้เขายังเข้าโบสถ์ได้อยู่แต่เราเป็นไทยเราไม่ได้เข้าโบสถ์ล้วเข้าบาร์เขผับแทนเมื <c> ่อ <oughs> ไปศูนย์การค้ากันแทน อินงตอนนี้ยังมีศูนย์ค่างค้าพูดขึ้นมาใหม่ๆเยอะเนี่ยสาวอาทิตย์วันหยุดนี้ไปกันละแต่พวกฝรั่งก็เขายังมีก็ยังมีไปเข้าบ่อยเข้าอะไรของเขาได้เพราะเขาไม่เขาหยุดตรงกับวันที่เขาเข้าบ่อยเข้าวัดของเขาแต่ของเราในนานจะเจอวันพระที่ตรงกับวันสาวอาทิตย์ทีหนึ่งดังนั้นทุกคนจะเปลี่ยนเปลี่ยนวันวันวันพระของเราให้ไปตรงกับวันหยุดของเรา ว็เท่อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเราจะได้มีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเต็มรูปแบบหรือสียงแปดเปียกไม่แวง อ, อยู่คนเดียวไม่มีไม่เกี่ยวกับเรื่องภารกิจทางรูปเสียงกิ่นนั้นถ้าถ้าทำได้นะอันนี้บางคนอาจจะทำไม่ได้มีครอบครัวมีอะไรนเป็นเรื่องของบุญกรรมไป ันนี้พูดถึงพวกคนที่มีโอกาสที่ยังสามารถที่จะอยู่คนเดียวปฏิบัติธรรมได้ด้วยตัวเองอยู่ก็ไม่ควรจะปล่อยโอกาสนี้ให้ใหผ่านไป <c oughs> แล้วมันจะทําให้เราอย่างน้อยมีมีกรอบหรือมีอะไรการดิเลทที่จะมันดึงเอาเวลาอันมีค่าของเราไปทําเรื่องของเกยไปทําเรื่องรามยศสรรเสริญสุข เรื่องมันก็เป็นของชั่วคราวตายไปก็ไปไม่ได้แ ม, ม้แต่ชิ้นเดียว <c oughs> แต่ธรรมะที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัตินี่มันไปกับเรานะมันอยู่ในใจของเราต่อไปอใจ<ะ> พ, วพวกนี้วันพระประเี้ยนี่ <c oughs> ช่วงนี้พูดเรื่องวันพระบ่อยเหมือนเพราะว่ารู้สึกว่ามันคนเราเนือวันพระมัน่ะถูกกระแสโลกดูดไปหมดกระแสของวัตถุนี้อยู่ ภาษาของรูปเสียงกิน่นรสเนี่ยการมาฉันทะเนี่ยตัวแรงเราก็ทุกข์กันเครียดกันมีอะไรมากมายกายกองแต่ไม่มีความสุขจากสิ่งที่เรามีเลยมีการเดี๋ยวเดียวตอนที่เราได้มาใหม่ๆขอซื้อมาได้มาใหม่ๆก็ดีเดียวดีใจสุขไปประมาณวั น, นสองวันต่อไปมันก็หมดความหมายไปแล้วต้องหาของใหม่มาเพิ่มอยู่ด้วย ค่ะค่ะค่ไม่มีปัญญาตรงนี้สทัทีค่ะทุกครั้งที่รู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกอยากอะไรก็จะมีขอรู้สึกว่าขอพักผ่อนแ ป, ป๊บนึงขอขอดูทีวีหน่อยหนึ่งขอไปกีกอล์ปแ ป, ป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> แ, แล้วก็หมดไปแล้วหนึ่งวันวันว่าง <c oughs> นอกจากวันพระแล้ววันธรรมดาก็มีเวลาว่างก็ควรจะฟไปทำทั้งทักหน่อยก็ยังดีทักงชั่วโมงก็ยังดี อ, อันนี้ก็ต้องคุ้นขวายเอาเองนะพุธนี้บอกได้แค่ น, นี้แหละว่าจะทําได้ไม่ได้ น, นั่นก็เป็นเรื่องของของแต่ละคนที่จะตัดสินใจเอาเองค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะคุค่ ะ, ค, ะคุณเด็กเคียงไาย ยังไงก็เนี่ยเพิ่มความเพลินขึ้นมาอยังหรือเท่าเดิมอยู่กับรัวกาลพระอาจารย์ครับก็ยังยังเท่าเดิมอยู่ครับแต่ก็ทําทุกวันครับอาจารย์อืมครับก็มีความสงบบ้างครับอาจารย์เท่าเดิมก็อยู่จุดเดิมนะมันจะไปไปไกลกว่านั้นไม่ได้ก็พยายามอยู่ครับอาจารย์อืมโอ้โหวันนี้เข้ามารับฟังครับอาจารย์ครับ ที่คำถาดเลยครับก็ทำควาเพียงต่อไปครับโอเคครับคุสาระกาสารตะกาจีน่าฟังธรรมค่ะอาจารย์ปฏิบัติอยู่ค่ะนะครัคุณวิลัยพรกับมาสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะพระอาจารย์เมื่อเราเอเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะได้ไปเออวัดตาบ้านตากกับกับ กับไปเล็กค่ะที่สดแสงธรรมเจ้าค่ะดีมากๆเลยค่ะพระอาจารย์พอได้เข้าไปได้เข้าไปที่กุฏิของหลวงตาที่หลวงตายังมีชีวิตอยู่่ตอนที่หลวงตามีชีวิตอยู่ค่ะได้ไปเหยียบแผ่นไม้ของหลวงตามีความสุขมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ได้คิดถึงพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะนึกถึงพระอาจารย์ต่อยโวพระอาจารย์ได้อยู่ตรงนี้เคยเคยเห็นเคยเห็นภาพเก่าของพระอาจารย์ mm ่ะ hmm. ค่ะค่ะ พระอาจารย์แล้วก็โยมได้เข้าไปเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเช้ค่ะดีมากเลยค่ะพระอาจารย์แบบคือแบบยมรู้สึกว่าเมื่อก่อนโยมโง่มากเลยยมเข่ามากคือยมไปอยู่ไหนเนี่ยแบบหลวงตาอยู่แทนที่เราจะได้ไปกราบหลวงตาเราไม่ได้กราบหลวงตาพระอาจารแบบ ย, ย์แบบยอมยมแบบแย่มากเลยเพระาะฉะนั้นแต่ว่าโยมก็คิดว่าเออ ย, ยมก็ถือว่ายังโชคดีค่ะเดี๋ยวยมได้ ครึ่งครึ่งชีวิตหลังโยมได้เดินตามรอยของหลวงตาได้ได้เจอพระอาจารย์ได้เจ อ, เ อ, อลูกศิษย์ของหลวงตาได้เรียนรู้ธรรมมาของหลวงตาแล้วก็เข้าไปในเจดีพระพระอาจารย์มันเปิดตาเปิดใจเปิดธรรมโยมมากๆเลยเจ้าค่ะแบบรู้เลยว่าหลวงตาท่านแบบว่าท่านทํางานหนักมากอะค่ะแผ่นกระดาษแผ่นกระดานที่ที่ระบุว่าหลวงตาทํากิจวัดอะไรเนี่ยโหพระอาจารย์แบบเยอะมากหลวงตาทําช่วยโลกไว้มากเลยเจ้าค่ะ โยมออกมาโยมร้องไห้เลยพระอาจารย์ <c oughs> คือวันิติมากเลยเจ้าค่ะแล้วก็โยมได้ไปวัดวัดถ้ำสหายแล้วก็วัดป่าบ้านใหม่แล้วก็ไปกราบหลวงปู่ทุยเจ้าค่ะโยมโยมรู้ว่าคคูบาอาจารย์สมัยก่อนลําบากเจ้าค่ะแบบอยู่ในป่าลึกมากเลยค่ะแล้วก็โยมเข้าไปที่วัดพระอาจารย์ตีสี่ประมาณตีสี่ถนนถนน ยมเห็นเห็นพระเดินมาบินทบาดจะเขาลงมาเจ้าค่ะมืดตืต้อเลยพระอาจารย์แบบโยมโอ้โหหลวงพ่อทําไมท่านท่านเก่งแต่เราองค์เดินมาแบบไม่มีไฟเลยค่ะแบบไฟลดสองถึงถึงเห็นองค์พระที่ว่าเดินเดินจากเขาลงมาบินทบาดข้างล่างนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ลําบากมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ เ, เพื่อนนะคะเขาฝากถามเจ้าค่ะว่า เขาน่าจะเถียงกันกับเพื่อนกับกับแฟนเขาว่าค่ะเขาบอกว่าขับปากให้ให้โยมถามพระอาจารย์นิดนึงเจ้าค่ะว่าจิตกับจิตเดิมธาดรู้ตัวรู้ธรรมธาตุคืออันเดียวกันไหมครับคือจะว่าอันเดียวกันก็ได้แต่มันต่างกันคือมันมันเปลี่ยนสภาพได้ไคือจิตของเราทั่วไปนี่นก็เราก็เรียกว่าจิตเรียกว่าธาตุรู้ล้วก็เวลาเรา ปฏิบัติทำชำนาจิตให้สบริสุทธิ์มันก็กลายเป็นธรรมาธาตุขึ้นมาจิตเดิมก็คือจิตที่มันสงบระงับที่มันสงบเนิ่งมันไม่มีกิเลสเมอออกมาเพ่นพ่านก็เลยก็จิตเดิมแต่ไม่ได้เป็นจิตที่บริสุทธเป็นจิตที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมากิเลสมันก็ออกมาเพ่นพ่านต่อได้มันก็จิตเหมือนกันแต่อยู่ในต่างต่างสถานภาพกัน รู้เ้าจไหรู้ธาตุรู้กับตัวรู้เะนั่นเระก็คือตัวจิตเนี่ยเราก็เรียกชื่อมันเหมือนชื่อวิไลพรมากชื่อโยมหญิงมากกับคนคนเดียวกันละอ๋อค่ะธรรมธรรมธาตุาก็คือดินน้ำลมไฟใช่มใช่ไม่ใช่คือธรรมธาตุก็คือจิตจิตที่เป็นธรรมนวนๆจิตที่มีแต่ธรรมะจิตที่สกเล ที่ไม่มีกิเลยก็คือไม่หนีพานธรรมทานอ๋อเจ้าค่ะงั้นเดี๋ยวให้เพื่อนเปิดฟังพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะกลับนมามัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะให้พระอาจาราย์ทัขันแข็งแรงนะคะ่าสาธุคุณซันนี่แบงค์ครบกับนามัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้หนูไม่มีคำถามค่ะแต่ว่าพอดี ได้ฟังข่าวมาว่าประเทศไทยมีคนฆ่าตัวตายเป็นอันดับสองในอาเซียนก็ อ, อยากขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยเให้ข้อคิดสําหรับคนที่กําลังคิดอยากจะฆ่าตัวตายหรือคิดว่าชีวิตนี้ไม่มีทางออกอื่นนอกจากการฆ่าตัวตายแล้วสักมิตรหนึ่งค่ะคืเอเวลาคนฆ่าตัวตายเพราะเขามีความทุกข์ใจตรอมใจ ก็อยากจะให้ความทุกข์ใจตรอมใจนี้มันหายไปเอากาคิดว่าเวลาเราฆ่าร่างกายแล้วความทุกข์ใจมันจะหายไปแต่นี่มันก็เป็นความเข้าใจผิดเพราะความทุกข์ใจตรอมใจไม่ได้เกิดจากร่างกายเป็นเหตุตัวที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือตัวกิเลส ต, ตัวตัณหาความอยากต่างๆอย า, อยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็เสียใจอยากให้ขรักเราเขไม่รักเราก็ทิ้งเราไปก็เสียใจ อยากจะได้งานอยากจะได้ตําแหน่งอยากจะได้ยศอยากจะ ไ, ได้ราได้พอไม่ได้ก็เสียใจเศร้าใจใลายเป็นอาการซึมเศร้าไปออทุกบ่อยๆ อ, อยากบ่อยๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยิ่งผิดหวังมากขึ้นในที่สก็อยากจะฆ่าตัวตายที่ต้องมาฆ่าคือฆ่าตัญหาความอยากเือนที่พระเจ้าสอนองคุลิมานว่าอย่าไปฆ่าคนคนก็ไม่มีความผิด ต้องฆ่ากิเลสของเราเนี่ยอตัวนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่นี่นนก็อต้องมาหยุดความอยากด้วยการปฏิบัติธรร ม, มศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมไปไปอยู่วัดบ้างไปบวชชีสักถ้าฆ่าตัวตายได้ไปบวชชีมันจะยากตรงไหนวะเนะี้ยคิดอย่างนี้เลยไปอยู่บ้านไปอยู่วั ด, ปวดเป็นบวชชีไปต้อพักหนึ่งไปศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเดี๋ยวพอลดละความอยากได้ ความทุกข์ใจตามใจก็หายไปความคิดอยากจะฆ่าตัวตายก็หายไปงันถ้าอยากจะฆ่าตัวตายไปฆ่ากิเลสด้วยการไปบวชถ้าเป็นผู้ชายก็ไปบวชเป็นพระถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปบวชเป็นชีไปเลยเป็นกว่าจะความทุกข์จะหายไปแล้วค่อยสึกหรือบางทีอยากจะไม่สึกเลยก็ได้เ mm. <c oughs> อ้าอาจาไหม เพราะอาเราไม่ได้ไทยเราเมื่อก่อนนี้เรามีศีลธรรมวิชาศีลธรรมมีพุทธศาสนาอยู่โรงเนียนอันนี้เขาเขาโยนทิ้งไปหมดแล้วไม่มีแนละ้วเด็กรุ่นใหม่เลยไม่รู้เรื่องของพุทธศาสนาไม่รู้เรื่องของศีลธรร ม, มน่าแปลกใจมากเลยค่ะพระอาจารย์ทัทง้งทั้งที่ประเทศไทยถือว่าเป็นเมืองพุทธแล้วก็เราก็มีความเชื่อความกลัวกันว่าถ้าฆ่าตัวตายจะเป็นบาปหนัก แต่ว่าเออ่คนในปัจจุบันก็ยังฆ่าตัวตายกันเยอะอยู่มากไม่ไม่ไม่ต่างกับประเทศที่ศาสนาศาสนาอื่นเลยอ่ะคะ่ะแล้วคนส่วนใหญ่ที่ฆ่าตัวตายเราก็เชื่อว่าเขาไม่รู้เรื่องของพุทธศาสาานาหรอกถึงนั้นก็จะเกิดในเมืองพุทธตามแต่เขาคงจะไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อคิด่าเป็นเรื่องงมงายถ้าเชื่อแเราก็ประกันได้ความคิดฆ่าตัวตายจะไม่มี ค่ะคระอาจารย์ขอพระคุณพระอาจารย์มากค่ะอ่าสาธุคุณอุษ า, า, าดาราที่ว่าเป็นยังไงสบายดีแล้วค่ะอาจารย์เคลียร์เคลียร์ปัญหาได้แล้วค่ะอืาค่ะใช่กิเแล้วนะใช่ค่ะโยโย ม, มานั่งคิดแล้วมาได้คำตอบบ่วันจันว่าอา้าวเรากำลังกำลังถูกกิเลสหลอก กิเลสซ้อนกิเลสค่ะอาจารย์บอกค่ะว่าเราหาว่าเราเป็นคนไม่ดีแบบไหนทําไมเราเป็นคนไม่ดีแล้วว่าอ้าเรากําลังจะทําให้เป็นคนอื่นมารักเรานี่นาอยากเป็นที่ยอมรับนี่นาเรากลายเป็นว่าเราเป็นกิเลสอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งโยมมาฟังให้ดูละปัญหาละความอยากตรงเนี้ค่ะอาจารย์แล้วโยมมาอ่านข่าวธรรมะสั้นๆของพระอาจารย์นะคะ่ะให้เราละตรงกามตัญหาเพราะว่าตัญหายิ่ วิภาวิทยัญหาโยมก็เลยได้คําตอบแล้วค่ะอาจารย์ตรงนี้เองค่ะกิเลสค่ะคำสอนมันเหมือนเช่นเช่นเช่นของบางภูเขานะใช่ค่ะคือแบบศมาริยสัจรู้กันมาทุกสมุทัยนิโรธนะแต่พอเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นมาลืมไม่หมดแลยวคือคือพอเจอโจทย์ใหม่เราก็ลืมไปว่าเฮ้ยมันก็โจทย์เดิมเก่าเฉยเก่าเฉยเก่าเดิมเก่าเดิมเดิมอะใช่ค่ะมันเกิดจากตัญหาทั้งนั้นอ่ะใช่ค่ะ โยมคิดอยู่สามสัปดาห์เลยนะคะจนได้คําตอบวมื่อวันจันบอกอ้าวแค่นี้เองค่ะแต่ว่ามันดีนะคะอาจารย์จากคนที่ใจร้อนแล้วก็กดง่ายมันรู้สึกมันมีสติมีความยั้งคิดมากขึ้นเลยค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะโยมได้คําตอบมาแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณพระพุทธเจ้าค่ะขอบคุณพระพุทธเจ้าด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณว่าจารย์ด้วยค่ะทําให้ยม แบบจากคนที่แบบเมื่อก่อนนี้ชนดะเลยค่ะอาจารย์พร้อ ม, อมดับเครื่องชนเลยค่ะแต่ตอนนี้คือแบบไม่เป็นไรยอมอมอยู่ตร <ใจ S 2> ง, งนั้นนี่ใช่ค่ะใช่ค่ะยมรู้สึกแบบมันทําให้รู้สึกเออดีจังเลยมันไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใครไม่ได้กดอะไรกับใครเลยค่ะอาจารย์แต่มันไม่ใช่มันไม่มีนะคะมันมีปุ๊บเข้ามาแต่เรามีสติอยู่กับมันโอเคตรง น, นั้นค่ะอขอบพระคุณอาจารย์นะคะอย่ายวนึงสามยออย่างนึงสามยอใช่ค่ะ วันที่หนึ่งนิยมเดินทางไปชนบุรีค่ะขึ้นเขาวันที่สองค่ะใช่ถแล้วก็กลับวันที่เก้าแต่ต้องกลับรถไฟค่ะจานเพราะว่าการเดินทางของโยมมันจะเดินทางกลับนี่มันจะยุ่งยากค่ะมันจะมีเฉพาะวันวันอังคารพฤหัสเสาร์ค่ะต้องหาวันลงก็เลยต้องกลับรถไฟแต่รถไฟต้องสองวันนะคะจา์กว่าจะถึงบ้านก็แล้วแต่ยังไงก็ได้ยินดีตามมีตามเกิด ใช่ค่ะใช่หาทางเลือกที่เราสะดวกที่สุดแล้วก็เราใช้คุ้มค่าที่สุดค่ะอาจารย์ยมจะยมจะเก็บเอาคําที่อาจารย์สอนน้องเขาบอกไปนั่งลงยมจะลองไปทําดูค่ะแล้วก็บอกว่าที่ความกลวัวเนี่ยโยมจะไปหามันให้เจอค่ะว่าโยมจะแก้มันได้หรือเปล่าค่ะรอบนี้มันก็ความอยากเนี่ยความกลัวเลยจากความอยากใช่ค่ะมันดูปุ๊บเอามันวนกลับมาที่เดิมอีกแล้เอากลับมาที่เดิมค่ะอาจารย์ รู้สึกอยู่อยากอยู่อยากไม่อยากตายไม่อยากตายมันก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมาจริงๆโยมกลัวผีค่ะอาจารย์จริงๆเอาไม่เอาผีมันจะมาทําอะไรมันก็คือคือมันมีประสบการณ์ตรงเองค่ะเลยรู้สึกร้อนเนี่ยอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ <c oughs> เรารู้แล้วว่าก็แค่ น, น, นั้นค่ะอาจารย์ก็ไม่เไป็นไรค่ะอย่งางว่ามันก็ทําให้เราตายถ้าเรายอมตายแล้วมันผีมันมันก็ยังไม่กลัว ทุกอย่างมันก็ตกลงไปที่ความตายนั่นแหะกลัวความตายกันใช่ค่ะโยมต้องขอบพระคุณอาจารย์ค่ะโยมมีกําลังใจเยอะเลยค่ะอาจารย์รู้สึกตอนแรกเราตัวสึกเอออ่ะเราถูกสกิเลตซ้อนอีกแล้วถูกซ้อนแขนไงอาจารย์ย้อนกลับมาอ๋ม อ, อมีสติขึ้นมาเลยค่ะครับอาจารย์ขอบพระคุณนะค ะ, ะสาธุอาจารย์ท้าท์ขันแข็งแรงนะคะอะสาธุค่ะขอบพระคุ ณ, คณนแมนอุน่นดอนไปยังไงไปพิพิธภัณฑ์นองตาบ่อยไหมอยู่ ใ, ใกล้ นับนแล้มาสแกนนะะอาจารย์ได้ไปสองครั้งแล้วคะ่ะพระอาจารย์สองครังเลยใกล้ไกลค่ ะ, คะลูกไปตั้งแต่สมัยวัดปากบน้นตานี้คุณแม่พาไปตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเลยคะ่ะจน<อ>ลูกโตแล้วเข้ามาหาลัยเลยได้ห่างออกไปคะ่ะคุณแม่บอกคุณแม่เคยได้ใส่บาตรพระอาจารย์ตอนอยู่ที่วุดอด้วยนะคะค <laughs> ่ะทีนี้ลูกเลยห่างตอนไปมาหาลัยค่ะแล้วก็ได้กลับมาเจอทุกพอเจอทุกก็เลย ปฏิบัติธรรมเข้มข้นขึ้นมาโดยพระอาจารย์ค่ะดีใจค่ะได้เจอพระอาจารย์ก็ค่ะตอนนี้ไม่มีทุกข์แล้วค่ะขอบคนณพระอาจารย์มากนะเจ้าค่ะสาธุค่ะคุณนิสาเอลเล่เอลเล่เอลเล่นิสาใช่น้อมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาลูกก็มีเรื่องวุ่นวายนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์ เดนี้ดนี้ไม่ได้นั่งหลายใช่วหมว่าก็ตอนแต่ก่อนนั่งแต่ช่วงนี้มันทำบ้านค่ะพัดจังก็เลยแบบที่มันก็หนูใส่ตจแบบหาเรื่องคิดเองจริงๆก็ทำได้ค่ะก็ก็หาเหตุว่าแบบไม่ว่างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีอย่างค่ะกิเลนไม่ชอบนั่งเฉยเยนะค่ะพจาจย์เพราะตอนนี้ ลูกก็เปลี่ยนที่นั่งไปที่กาหล่าจ้ะคะ<ม>่ะพรอาจารย์ไปต้องไปอยู่กาหล่าเพราะว่าบ้านมันมีคนทำอะคะ<ม>่ะค่ะอาจารย์จริงๆก็นั่งได้ในกาหล่านะคะพรอาจารย์<ม>ก็ยังคิดอยู่แต่ว่ามันเหมือนมันพอมันมันไปติดเราไปเกิดอุปทานกับที่ที่เราเคยนั่งะคะ<ม>่ะพรอาจารย์แบบเราไปติดว่าเราจะต้องนั่งตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็มานั่งคิดพอเปลี่ยนที่นิด น, นึงก็หาเหตุละ โอ๊ยเดี๋ยวมันอะไรเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นที่ตัวเราเองค่ะเป็นที่กิเลสในตัวเราค่ะอาจารย์ค่ะแต่วช่วงนี้ก็ก็เลยแบบก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบมันว้าวุ่นนิดหน่อยค่ะว่าอาจารย์จะติดไม่ค่อยมีค่ะพระอาจารย์แล้วก็มันคือไม่ค่อยมีค่ะก็ยังคิดอยู่ก็มีนั่งบ้างค่ะพระอาจารย์แต่วันไม่ไม่สามารถนั่งได้ยาวแบบสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเพราะว่ามัน มันเหมือนสงใส่มันตติมันมันมีจากความพะวงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์แล้วก็แบบอาทิตย์นี้ก็อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ช่างก็แบบมาบ้างไม่มาบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องใช้ยอมหยุดเย็น ค, ะคะ่ะอาจารย์คือจะไปโกรธเขามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะคะ่ะอาจารย์ก็ยังไงเลยคะ่ะปล่อยเขาไปก็จะทํายังไงก็ทําทําไป ค่ะก็คือก็รู้เลยว่าแบบพอดีช่างเนี่ยเขาเวลาเขาทําเขาจะต้องทำเขาไม่ได้ทำของเราที่เดียวเขาทําที่อื่นด้วยอะค่ะอ mm hmm. คือแรกๆเขาก็จะแบบจะจับขยันขันแข่งอะค่ะทำทำแล้วก็ขอเบิกเงินเป็นช่วงๆแต่พอหลังๆแบบก็จะแบบเออนู่นนี่นั่นอนะเราก็รู้ว่าแบบบางทีเขาก็บอกเออฉันไม่ว่างนู่นนี่นั่นอะไรเนะค่ะพระจานทร์ ก็ต้องยอมทำใจแรกๆก็าแรกๆก็มาสามสี่คนไปแล้วก็จะลดคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยก็ต้องทาต้องยอมค่ะยอมแล้วก็หยุดเย็นแล้วก็จะบบกโอ้โอเครับได้ก็คงไม่ทิ้งงานกันแล้วกันนะก็คงไม่อะค่ะพระอาจารย์พอดีมีคนแนะนำมาแบบคือรู้จักกันครับเขารู้จักว่า กับอีกคนหนึ่งที่เขาทําบ่อยๆคือเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็คือเป็นคอนเน็ชันนิดนึงเขาก็คงจะเกงใจบ้างอะไรเงี้ยแต่แต่ไม่ค่ะน่าจะทําแต่ว่าพวกนี้เขาจะเป็นแบบเนี้ยค่ะพระจาย์คือถึงเวลาก็แบบมีมีเบี้ยวบ้างมีเทปมีอะไรบ้างเงี้ยค่ะก็เข้าใจแล้วก็คิดในทาเมตตาก็คือเมตตาเขาว่าเออเขาก็คงแบบอยากได้เงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องอยากได้หลายๆหลายๆจ็อบอะไรเงี้ยค่ะคือ โอเคก็ทำใจอดีที่สุดเขาอย่าเหตุผลยังไงก็กเรื่องของเขาค่ะก็เขายังทำใจแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันก็มันก็เสร็จสมมันก็เสร็จแหละอืเอา<ช>อยู่ที่ตัวตัวเราอะคะ่ะตอนนี้ก็พยายามพยายามบอว่าอยากเที่ยวาเที่วกับวันนี้แล้กันค่ะ อ, อ๋อพระอาจารย์คะตอนเช้าบางทีแบบลูกมีปัญหาเกี่ยวกับเหมือนกับกดไหล ย, ย้อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แล้วบอก เวลานั่งตอนเช้าเนี่ยมันจะมีแบบเสียดท้องปวดแบบท้องร้องนิดๆหน่อยแต่ว่าคือเวลานั่งเนี่ยคือลูกสามารถเวลานั่งเป็นชั่วโมงเนี่ยมันมีอาการแบบว่าปวดเจ็บขาหมายถึงว่าเหน็บเหมือนแบบปวดขามากๆแต่ลูกสามารถข้ามไปได้แต่ลูกไม่สามารถข้ามแบบอาการแบบเหมือนกับอาการเสียดท้องอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยอะค่ะรับอาจารย์มันก็อาการเนี่ยก็เป็นอาการเจ็บเป็ือนชกเวทนาเหมือนกัน อืมหรือว่ามันเจอสองสองเด้งมาเลยรู้สึกว่าสติมันเลยหลุดไปหรือเปล่าคะพระอาจารย์ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วอาจจะลืมไปว่ามันก็เป็นความทุกแบบเดียวกันความทุกทางร่างกายจะไปทุกที่ท้องทันีีทุกที่ขาแล้วไปทุกที่ท้องทันเองอือเราควรจะวางใจยังไงดีคะพระอาจารย์เฉยไปปล่อยปล่เป็นทุกไปเราก็อยู่ของเราไป ทำใจเหมือนกับทำใจกับพวกคนงานที่ไม่มาทํางานอ๋อถ้าไม่ยามถ้าไม่ยอมเราต้องใช้พุทโธพุทโธให้มันนิ่งค่ะเพราะเราก็ทําอะไรมันไม่ได้มันก็ต้องเกิดมันอะไรมันจะเกิดเมื่ก็เกิดคือคือลูกก็พยายามคิดว่ามันคือมันมันเป็นความความเจ็บความแก่ความเจ็บอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็น มันสังขารไม่เที่ยงแต่แบบกลายเป็นว่าเราเราเลยทําให้เราแบบฟุ้งไปแล้วเรามันมันทําให้ความสงบมันไม่มีอะค่ะมันต้องพูดโธ้พูดโท้แลนกลับมาโอก็คือพูดโธ้พูดโธไปจนจนกว่าเราจะจิตจิตจะนิง่งจิจะสงบแล้วเราก็จะยอมรับกับสภาพของความเจ็บมันได้อือแล้วเราเราก็ค่อยค่ะพอจิตมันนิ่งแล้วเราค่อยกลับไปดูลมเหมือนเดิมี<ก>้ใช่ไหมอ่าก็ได้คือ คือลู ก, ก็แท่ว่ารู้สึกแบบก็ถามบางทีก็คุยกับตัวเองว่าแบบเอ๊ะทำไมเวลาเราเจ็บขามากๆแล้วเราเราสามารถข้ามไปได้แต่ทำไมท้องร้องเยอะๆทำไมเราถึงแบบถึงข้ามไปไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเรายากไม่ชินกับตรงจุดนี้เพราะว่าคือลูกเป็นกดไหลย้อนี่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาแบบไม่มไม่นานมันเพิ่งกำเริบมามันใช่ไหมค ะ, คะอาจารย์ก็ต้องพิจารณาว่ามันก็เป็น ทุกเวทนาเหมือนกันทุกทางกายเหมือนกันอแล้วมันเปลี่ยนที่นะจากที่ที่เท้าที่ขามาเป็นที่ท้อง o n ่อรืออาจจะปวดที่ศีรษะก็ได้อมันก็เหมือนกันนะเป็นอันเดียวกันกนะครับมทุกทางร่างกาย ค, คซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรมันได้ ท, ทันทีทันใดอาจจะต้องใช้เวลารักษ า, า จ, จะต้องใช้เวลาให้มัน หายช่วงนี้มันยังเป็นอยู่แล้วก็ต้องทําใจอยู่กับมันไปอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากหรืออยากมันไปสงสัยจงสงสัยคงจะแไปเป็นความอยากให้มันหายอะค่ะพระอาจารย์อยากไม่ไม่อยากจะเจอมันง่มยง่ายอยากให้มันหายเพราะมันมันเกิดแล้วมันทรมานใช่ไหมค่ะอืมอแล้วก็ทำอะไรมันไม่ได้ทําใจอย่างเดียวพุทโธพุทโธไปอย่างเดียว มปล่อยมันเจ็บไปค่ะพอจิตเราสักเอาจิตเราสงบลงในขั้นหนึ่งปล่อยมันได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะอยู่กับมันได้ค่ะก็มาถามพระอาจารย์เพราะว่าท่านจะได้มีมีเสี่ยงพระอาจารย์เวลาเวลามันมีอาการขึ้นมาค่ามพระอาจารย์ค่าานะค่ะค่ะขอบขอบขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะสาธุค่ะอืมค่า คุณสันเดียกับคนุณยายหายหน้าไปหลายอาทิตย์นะจ <c oughs> ำไม <c oughs> ่ไนะด้เละวัสกา ร, รก็พระอาจารย์เอก็เอติดภารกิจครับผมช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยไม่ได้พาคุณยายขเข้าสูานะา่ครับผมอาทิตย์เดียวหรือแค่เชี่ยวทั้งหลายอาทิตย์นะหลายอาทิตย์ครับผมติดก็มีภา ร, รกิจเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับ ที่เทิงกันแล้วเกี่ยวไม้ม า, า, าแล้วผนรายการนี้ขอตัดทิงน้า ไ, ม, ไ ม, ม่ไม่ครับผมก็ระลึกถึงว่าจกงานครับผมไม่ไม่ลืมครับยังไม่อ r อ p o u ์ครับผม <laughs> แค่แค่โดดเรียนต่ำโฟต้าครับผมออเบรกหน่ อ, <laughs> อเ ย, นยเลยเดี๋ยวผม <laughs> แวะแวะเบรกไปทำงานทางโล ก, กนิดนึงแต่ก็สุดท้ายก็ต้องกลับมาทางนี้นะครับ ทางโนกเอาไปไม่ได้นะทางธรรมนี่เอาไปได้หมดนะเ e อาของที่เอาไปไม่ได้ทําไมเดี๋ยวเราต้องออกเดินทางกันนะต้องเรียนหนังสือต้องอะอรๆไปบวชเลยไม่ต้องไปเรียนหนังสื อ, อไปบวชเลย e e แล้วจะนีใจพรเจ้าจับพระราชนิบวชตั้งแต่อายุหกขวบเจ็ดขวบแล้ม พรอาจารย์ไม่เลยสมบเธออยากเพิ่บมบวชเลยไปไ ป, ไปเรียนทางโลกก่อนไม่มีพระเาจารย์แบบมาบวชเลยครบเจ็ดครัวนี่เรียนทางธรรมดีกว่าทางธรรมนี่เอาไปได้หมดทางโลกนี้เรียนเท่าไหร่ก็ทิ้งทิ้งหมดเอาไปเอาเอาไปไม่ได้เลยแล้วเรียนไปทำไม อันนี้พระอาจารย์จับผมบวชเหมือนว่าผู้นเจ้าจับพวกราหุ่บวชใช่ไหมครับเราต้องจับตัวเราเองบวชนะเดี๋ยวจะมาโทษเราเดี๋ยวพ่อแม่ขอเราจะมาด่ดาเราเองไม่ผมพ่อแม่ไม่กล้าพ่อแม่ผมไม่น่าจะกล้าว่ออาพระอาจารย์นะครับต่อหน้าจะไม่กล้าแต่ในใจกใครไปรู้แล้วผมไม่ใจจับ ก็พาคุณยายมากราบพระอาจารย์ครับไม่มีคํำถามก็ปฏิบัติต่อไปอแล้วได้ยินท่านตลอดเลยค่ะคุณยายแข็งแรงนะอยู่ให้เกิน้อยนะการไม่ตอบเมาครับไม่ตอบเมาส์เบรกเบรกตามไปที่แม่น้องหลินต่อคุณแม่น้องหลินกราบสาธุค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะได้ยินจ้า พระอาจารย์ของหนูก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์พ mm hmm. ระอาจารย์คะพอดีช่วงที่หนู mm hmm. ผ่าตัดไปใช่ไหมคะแล้วที่นี้หนูจับประเด็นได้อันนี้ใช่หรือเปล่าเจ้าคะคือประเด็นคือพอใจกับกายแยกกันนะคะพระอาจารย์หนูก็ไปดูปัญหาคือเวลาผ่าตัดแล้วมันใช้กล้ามเนื้อที่ขามาโปะที่แก้มอะค่ะพระอาจารย์ทีนี้พออยู่กับใจ ไม่ไปรู้สึกกับกายอ่ะค่ะพระอาจารย์มันก็เลยไม่ได้ไปเกาหรือคันตรงบริเวณแผลค่ะพระอาจารย์แล้วแผลก็หายไวมากเลยค่ะพระอาจารย์ใช่ถ้าใจเราไม่ไปคิดถึงมันมนเราก็จะไม่ไปไปแตะมันตองนี้แถ้าเราไปคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆมันก็อย่ากอ ด, อดที่จะไปแตะมันไปเกามันไม่ได้ยิ่งเกาก็ยิ่งคันใหญ่ใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็จะอักเสบด้วยอ่ะค่ะพระอาจารย์แล้ว ต้อใช้ พ, <อ S 2> พุโทโธใชถ้ามันจะไปเกา่าใช้พุโทโธเด้งออกมาอย่ไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงมันแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็จะมีช่วงแบบหน้าหนูบวมมากแต่ว่าหนูก็ลองพิสูจน์ดูค่ะพระอาจารย์มันไม่ได้มาเจ็บปวดไม่ได้ทุกข์กับภาพที่เกิดขึ้นนะคะพระอาจารย์หนูก็เลยพยายามบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยดีใจที่วแบบ ได้ฟังทำแล้วเอามาพิจารณาตัวหนูเองอะค่ะพระอาจารย์มันเลยเห็นผลตอนที่ผ่าตัดเนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์เมื่อเจอความทุกข์้วค่ะก็เลยได้ประเมินตัวเองว่ามันใจกับกายอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์เพิ่งได้เห็นนะคะก็เลยเห็นธรรมโอษฐ์เนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์เป็นยาใจที่ดีมากเลยค่ะพระอาจารย์ถูกต้องสติปัญญาสองตัวนี้สําคัญ เจ้าค่ะพระอาจารย์เนี่ยค่ะหนูก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะไม่มียาทานไม่ได้ทานยาเลยนะคะอยู่กับยาใจอยุดจับหัดูคุณสุภาพตาเชิญกลับน้ำมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะคุณหมอแพทย์สนาต่อ กับธรรมสถานค่ะพระอาจารย์ค่ะก็เดี๋ยวอาทิตน้ําจะไม่ได้เข้านะคะเพราะว่าไปวัดไปวัดปัาสะระน้อยพระอาจารย์เขากลับกับวัดแล้วค่ะพระอาจารย์เตรียมการแล้วค่ะพาคุณพ่อแล้วก็ลูกสาวไปด้วยนะคะไปกันหมดเลยค่ะไปทําบุญแล้วก็ยังปฏิบัติสม่ําเสมอก็รู้สึกดีค่ะพระอาจารย์แล้วต้องขอบคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนตอนรู้ตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติกับพระอาจารย์เคยอ่านหนังสือมันไม่ค่อยเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุตปะะะิป่าค่ะตอนนี้เข้าใจเข้าใจแล้วว่าเออพอมันโง่หล ง, งมันก็เลย มันก็เลยทําให้แบบมีความคิดแล้วไม่มีความอยากใช่ไหมคะพระอาจารย์เราก็ต้องโฟกัสที่การค่อยๆค่คคอยดูไปเรื่อยๆให้มันไม่มีอะไรขึ้นมาใช่ไหมคะพระารอาจ <he S 2> ารย์อให้มันเห็นตายร่างให้มันเห็นตายร่างเห็นไเห็นทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ความโงมันจะหมดทุกอย่างในโลกนี้มันสุขความสรูรสัมพ์สุขค่ะสมัยสมัยก่อนเลยอยากเกิดเลยพระอาจารย์รู้สึกว่าเกิดแล้วสนุกสมัยก่อนนู้นนะคะโอ้<ม>พระอาจารย์จริงๆด้วยอาะทําไมมันผูกแบบโง่มากเลย ค่ะรอาจารย์ขอพระคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวอที่หน้าไปแล้วกลับอะไรงานคุยตมดต่อแล้วบริหาภะอาจารย์ันศุกร์ไคะเอ่อวันพรุ่งนี้นะคะอ่า yeah. I think on Sunday not chances สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ไม่มีไม่มีคำถามค่ะก็เ mm hmm. ข้ามาด่าค่ะพร้อมกับเดวิดแล้วก็บอลซองเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์มีกัมีกับหนนจางกลับ้าเมืองไทยหรือยัง อ, อยังค่ะถ้าอาจารย์ก็แต่ถ้าเกิดหนูมีธุระทางทางทางเมืองไทยหนูก็จะกลับ <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติปกติไม่มีแผนที่จะกลับค่ะเพราะว่าตอนนี้มันจะอยู่ในช่วงกำลังเหมือนกับจะย้ายค่ะท่านอาจารย์แต่คือทางทางเอกสารที่เป็น ออกมาจริงๆมันมันยังไม่ได้ออกมาค่ะท่านอาจารย์เขายังไม่ได้แจ้งออกมาเป็ น, เ ป, นเป็นเป็นเป <ต youtubers S 1> <So> ็นลายลักษณ์อักษรค่ะเป็นทางการค่ะท่านอาจารย์เอแล้วก็เอแต่จะต้องย้ายย้ายไปอยู่ทางบรสเบิร์กค่ะท่านอาจารย์บรัสเบิร์กนิวยอร์คค่ะท่านอาจารย์ออเติดกับแคนาดาค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เอไปดําเนินเรื่องเอ ขายรถแล้วก็ซื้อรถใหม่เพื่อที่ว่าเพราะรถที่เราใช้อยู่มันมันมันมันเป็นแค่อยู่ก็ไม่ค่อยเข้าใจทางด้านทางการเวลาเราขับกับทางกับหิมะเยอะๆอะค่ะถ้าอาจารย์พอไปอยู่ทางนู้นแล้วหิมะเยอะแล้วค่ะาอาจารย์ก็ต้องก็เลยต้องเปลี่ยนรถกันก็ เอาไปเทิร์นแล้วก็ซื้อเลือใหม่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรทีแรกคิดว่ามันจะยุ่งยากก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะท่านอาจารย์กย็คนหนึ่งนี่ทํางานเหมือนกับเดวิดนี่เขต้องย้ายเหมือนเหมือนกับเดวิดหรืเอเปล่าอ๋อไม่คะ่ะท่านอาจารย์เพราะเดวิดเขขึ้นอยู่กับทางทางทาง อ, อสํานัก ง, งานใหญ่ที่ที่เ อ, อ มิชลินฝรั่งเศสโดยตรงค่ะท่านอาจารย์กส่งมา ม, มาให้มาดูงานนี้ค่ะคือก็เหมือนอเหมือนเหมือนส่งไปอยู่ที่อินเดียเหมือนส่งไปอยู่ที่อันนี้แต่ด้วยความที่ว่าที่นี่ที่นี่ที่ว่าย้ายเพราะว่าโรงงานเขาเยอะเพราะว่าประเทศเขาแบบมันใหญ่่มาก ม, มันกว้างมากนะอาจารย์ทีแรกเลยตอนที่อยู่เซาคาโรไลนามันก็แค่สองปีแล้วก็ต้องกลับฝรั่งเศสแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ามิชลินเขาเทคโอเวอร์ over, ของบริษัทแคมโซเป็นบริษัทใหม่ค่ะท่านอาจารย์ เขาก็แล้วเดวิมาลงเดวิดไน้องไปเหมือนก็ไปให้ความรู้กับที่ต่างๆนี่เลยค่ะไปจัดไปจัดนบีบนบบบอะไรไปจัดระบค่ะคนเนี่ยท่านหนูเขาแล้วไม่บิดงงทำไมเขาต้องย้ายทุกสองปีอ๋อไม่ค่ะพอพอพอพอพอเดวเขาเซ็ตได้เขาก็โอเคแล้วก็ตอนนี้มันเป็นเทคโอเวอร์อันใหม่ก็เลยจากซาวคลเรียนาก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ค่ะท่านอาจารย์ พอแคนซ่าเสร็จแล้วตอนนี้ตรงนีน้ค่ะแล้วตอนนี้ปัญหาก็คือกําลังขาดเอ่อขาดขาดขาดขา ด, ขาดคนคนหนึ่งพอดีคนนั้นเขามันมันไม่เหมาะงานก็สุดท้ายก็เลยต้องหาอีกคนหนึ่งแล้วก็เลยแบบคาราคาสร้างกันอยู่ว่าจะย้ายเมื่อไหร่ปกติจะต้องย้ายเดือนธันวาเนี้ยค่ะท่าอาจารย์ตอนนี้ก็เลยแบบสงสัยจะเลื่อนเป็นเ อ, อมกราอลาจะเลื่อนเป็นมกาลาแล้วก็ <Okay. S 2> ไปทั้งต่อค uh ่ะ huh. ก็เลยแบบรอร อ, อสภาพกนคะท่านอาจารย์เดี๋ยวรอนด้แล้วตามบุญตามกรรมก็แล้วกันตามบุญตามกรรมไปตามหน้าที่ค่ะท่านอ uh huh. านจารย์ค่ะไม่ทุกข์ไม่สุขค่ะอ uh huh. าจารย์ก็ไปเรืเร่อยๆตามหน้าที่อ า, <Okay. S 2> าจารย์กว่าจะเสร็จก็ขอให้ได้เออร์รี่ลีไทยค่ ะ, ะ uh huh. ท่านอานจารย์ก็จะได้จัดการกับตัวเองแล้วก็คนอื่น Okay, โอเคสาธุบ้านค่ะทค่ะค่สาธุค่ะบอลซองเต้เหมือนเดิมนะคะท่าน <Yeah. S 2> อาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะสาธ yeah, ุคุณมาลีเชนพุทธการเป็นยังไงมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่ความอยากถ่าไม่มีความอยากปัญหาก็จะไม่มีสาธุค่ะ อ่าพูดอะไรหลวงพ่อครับก็พิจารณาสุภะค่ะหลวงพ่อแล้วอย่างเมื่อคือนนี้แบบมันก็รู้สึกอัศจรรย์แล้วค่ะหลวงพ่อพิจารณาแล้วจิตมันสงบเป็นสมาธิแบบหนักแน่นไม่ไม่ไม่อ่อนไม่อ่อน เขาเรีอะไรไม่อ่อนแอแล้วก็จิตไม่สะดุ้งค่ะหลวงพ่อแล้วก็มันจิตมันเจอเครียกว่ามันเหมือนมันอ่อนโยนแะความความแข็งแรงเหมือนเหมือนรับรู้ด้วยที่ในอกเราอะค่ะหลวงพ่อมันกว้างมากเลยอะค่ะมันความสงบด้วยปัญญานี่มันหนักแน่นกว่าความสงบด้วยสติใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วก็ มันมันไม่หวั่นไหวมันไม่รู้สึกว่าหวั่นไหวอะไรเลยนะค่ะหลวงพ่อมันมันแข็งแรงแล้วก็พิจารณาอสุภะความไม่สวยไม่งามแล้วก็ไปลงที่ใจรักค่ะหลวงข้อมันที่หนูพิจารณาเนี่ยมันมันเหมือนพิจารณาด้วยความมีสติค่ะหลวงพ่อมันมันไม่มีความทรมานทางร่างกายเนี่ยแต่มันจะเห็นเห็นภาพตั้งแต่หัวจนเท้าค่ะหลวงข้อเห็น เห็นว่าถ้าถ้าเราหมดลมหายใจไปลมหมดไปดับน้าเน่าดินพังอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็พิจารณาตั้งแต่หัวลงมาจนถึงเช้าเหมือนเนื้อมันค่อยค่อยอ ย, ยุยหลุดออกไปหลุดออกไปมันเหมือนเกิดขึ้นจริงๆริงนะค่ะหลวงพ่อแล้วจนถึงโครงจนถึงโครงกระดูกในโครงกระดูกมันเหมือนช่วงที่มันกำลังเน่ามันเหมือนมีตัวหนอน กินอยู่อย่างนี้ค่ะจนโค้งเป็นรูปโคง้งจนกระทั่งโคงก็อยู่ไม่ได้ล่วงหล่นลงไปอย่างนี้คข้าพอ่อจนกลายเป็นเป็นดินแล้วหนูก็ย้อนกลับมากลับไปยิ่งพิจนายิ่งยิ่งสงบยิ่งยิ่งแบบมันเกิดปิติแล้วเห็นเห็นเห็นคุณเห็นความดีของพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงนึกถึง คนของตรงพ่อนึกถึงคนครูบาอาจารย์ที่ว่าขนาดยังไม่ได้ดวงตายเห็นธรรมแต่มันเกิดความอัศจรรย์มากขนาดแบบมันยิ่งใหญ่มากๆเลยอะค่ะหนูหนูก็ระลึกระลึกถึงว่าปฏิบัติไปพิจารณาไป ถ้ <ops. S 1> าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอ น, นพวกเราคงยังไม่เคยคิดนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้กันจะคิดแต่เรื่องสวยๆอ่อนงามเคา<ะ>ยังไม่คิดถึงซากศพกันใครยังมาคิดถึงอาการ32กัน<ะ>เป็นบ้าท่านคนบ้าท่านแล้วแล้วยิ่งพิจารณาไม่ได้ไม่มีอาการแบบฟุ้งซ่านเลยค่ะหลวงพ่อพมันมันเหมือนพิจารณาด้วยความมีสติทุกอยาก่างมันมันหนูหนูเห็นว่ามันจิตต้องสงบ ก, ก่อนมันถึง มีมีคำ ม, มีสมาธิก่อนมันจพิจารณาเรื่องาอางนนะานเหล่านี้ได้ค่ะหลวงพมันมันโอ้โหมันเห็นความโอโทําไมมันมากมายขนาดนะะี้ค่ะหลมพ่อความสงบของของใจอะค่ะหลมพ่อดีแล้วมันจะมันจะหนักนั่นกว่าจะยั่งยืนกว่ามันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยเสื่อมค่ะหลวงพ่ อ, พ อ, พ อ, พอจน วันมันเหมือนเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยค่ะหลวงพ่อหนูพิจารณาเสร็จอะไรเสร็จเกือบเที่ยงคืนนะคะหลวงพ่อหนูว่ามันรวดเร็วมากมากจนแบบเหมือนแบบหนูอยากต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเหมือนทําให้เรามองเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยอะค่ะหลวงพ่อกายมันก็เหมือนก้อนก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งแต่สิ่งน้ำลมไฟใช่ค่าสี่ะน้ำลงไฟค่ะ แล้วสิ่งที่หนูได้เมื่อคืนนี้มันเกิดความเมตตาสงสารเข้ามาในจิตมันเหมือนมันอ่อนโยนกับคนที่เขามีแอคติ ก, กับเราอย่างนี้ค่ะหนูพ่อหนูไม่ไม่มีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนนะคะพ่อมันมันรู้สึกว่ามันสงสารเขาถึงแม้ว่าเราจะทำดีกับเขาแล้วเขาไม่ได้โอเคกับเราอย่างนี้แต่มัน ในใจลึกๆมันรู้สึกว่าเราเมตตาเขาเราสงสารเขาอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมันเหมือนมันไม่โกรธเขาอย่างเนี้ยค่ะหลกงพ่อความเมตตาคับความให้อภัยหลวงพ่อแล้วมันเหมือนมันทําให้โทสะของห่มมันมันเบาลงได้มันเหมือนแบบเหมือนมันไม่มันไม่ควรที่จะมีอะไรค้างอยู่ในใจอย่างเนี้ค่ะหลวงพ่อไม่จะไปโกรธใครโกรธผมหรือโกรธคนเมื่อโกรธเล็บโกรธฟัน ห น, หนูหมายถึงเออหนูแล้วลึกถึงทุกคนที่ที่มีพระคุณแล้วก็นึกถึงคนที่เขามีอคติอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่แต่ในใจอ่ะมันเกิดความเกิดความปรีติว่าเราเราสงสารเราเมตตาอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันมันมันไม่มีอะไรที่จะขังอยู่ในใจเราว่าเออถึงแม้เขาจะไม่โอเคกับเราแต่ในจิตเรามันมันไม่มันตรงกันข้าม ก, กับเขาอย่างเงี้ยค่ะหเพรามัน หนูก็เลยอัศาจรรย์ว่าเอ้ยทำไมทาไมจิตมันเปลี่ยนไปอย่างนี้ค่ะว่ามาเห็นความจริงเนี่ยถึงถึงแม้ว่าหนูจะเพิ่งแค่รู้ตามได้เล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นเป็นความอัศาจรรย์ในใจแล้วก็เป็นปีติถึงขนาดแบบมันน้ามันกั้นน้ำตาไม่ได้อะค่ะหรืามันเหมือนต้องไปกราบ<ม>พระพุทธเจ้ากราบหนูกราบขอบคุณหลวงพ่อด้วยอะค่ะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ตอ น, นอาจจะไม่ได้เห็นด้วยที่หนูจะมาแนวนี้แล้วมันก็ทําให้เรามั่นใจว่ามันไม่ผิดทางที่เราจะเดินทางเหนือค่ะหลวงมีดวงตายทำแล้วไม่ผิดทางแล้วโอเคขอบคุณค่ ะ, yeah. ะค่ ะ, ะคุณเอร์ลินทอนมาริแลนด์ ทำงานไปฟังทำไปหนูเป็นเหมือนไม่ค่อยอะไรได้เป็นทัพพีไหนมาแตงไปก่อนเนะพระนวัตการคระเจ้าแผ่หนูก็อนุโมทนาบุญกับคุณมารีด้วยค่ะหนูก็ฟังไปหนูก็จะปฏิบัติมากขึ้นกับพระอาจารย์ช่วงนี้ก็กระถิ่นค่ะพระอาจารย์หนูไปทําบุญหนูมีคําถามค่ะคําถามเล็กน้อยค่ะว่าสมมติว่าเวลาเราไปทําบุญแล้วเราไม่ได้กวดน้ําอย่างเงี้ยค่ะ อ่อมันเป็นไปนได้ไหมคะที่ที่จะมีมีวิญ ญ, ญาณมาขอส่วนบุญหลังจากที่เรากลับมาบ้านแล้ววะค่ะคือวิญ ญ, ญาณเขาจะมาขอได้ทุกเวลาเนขะ้าใจไหม ค, คือห น, น, านาอกกลับมาแล้วเวลาไหนเขาเอามาขอได้ก่อนทําบุญหรือหลังทําบุญมันไม่เกี่ยวกับการทําบุญใดกันได้ อ, อ๋อค่ะแต่ประเด็นว่าเราจะรู้ว่าเป็นของจริงหรือเปล่าเนี่อันนี้อันนี้อาจจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นอุปทานของเราเลึกคิดไปเอง ก็เป็นไปได้ค่ะพระอาจารย์วิญญาณจะไปในอุปทานนั่งนะเพราะถ้าเราวิญญาณจริงๆนี่ต้องคุยกับเขาได้ถ้างานอุปทานแล้วคะพระอาจารย์เพราะหลังจากทำบุญเสร็จแล้วเหมือนได้ยินเสียงเหมือนว่าใครมาขอหน้าก็ฝันละผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงอ่ะค่ะค่ะไม่ได้กลัวค่ะแค่สงสัยว่าถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้แผ่บุญกุศลให้เขาเป็นไปได้ไหมที่เขาจะมาขออย่างเนี้ยค่ะอื ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหะจะเป็นทั้งเป็นไปไม่ได้ด้วยแล้วแต่ความจริงมันเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะพระอาจารย์คือการาอุทิตการอุทิตบุญนี้ไม่ต้องใช้ใช้น้ำก็ได้เขนะ้าใจถ้าเพียงแต่ใช้น้ําใจคือคิดภายในใจว่าวันนี้ได้ทําบุญมา้ขอแบ่งส่วนบุญนี้ให้กับดวงวิญญาณท่านนั้นท่านนี้ก็ถือว่าได้ไ ด, ได้ได้กวดน้นะําแล้วอืมค่ะอาจารย์ค่ะ ก, ก็ก็มีแค่นี้ค่ะคําถามก็หนูก็จะตั้ง ปิบัตนะคะช่วงได้มากหน่อยวันเสาร์วอาทิตย์ได้หลายชัวยงงงง่วโมงนะส่วนจะมีดวงวิญญาณมารอรับหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันพราเราอาจจะนานๆทำบุญสักทีก็ลืมมนรอไม่ไหวหนูหนูก็ทานะคะเพียงแต่ว่าหนูลืมว่าไม่ได้กวดน้ำไปอะคะ่ะ <Okay. S 2> ค่ะกลับต<ะ>่อไปพอทำใจก็กวดไปเลยพอไปจากเงินใจก็กวดไปเลยคิดไปในใจเลยค่ะ อย่างนี้เวลเราพูดเราก็บอกไปเลยได้ไหมคะว่าให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายได้พูดไปเนยาจไม่ต้องพูดออกเสียงในคนก็จะเราโอนปุ๊บเราก็พูดคิดปั๊บเลยนะใช่ได้เลยบุญมันเกิดแล้วไงพอใจเงินเป็นบใจก็รู้สึกเบาสบายแฮปปี้ก็แบ่งแบ่งความสุขให้กับดวงวิญญาณพูดง่ายๆพระอาจารย์ค่ะค่ากับขอบพระคุณพระอาจารย์ขอยพระอาจารย์ทัดขันแข่งแลนะคะคะ คุณบาลิกานาราธิวาสขอกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามาฟังธรรมแล้วกราบพระอาจารย์ไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคไปที่คุณจุกกลับไปถึงโกเบแล้วละ่ะชุกนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกลับมาถึงแล้วค่ะอืมวันนี้หนูมีคําถามเจ้าค่ะคือตอนแรกจะถามเกี่ยวกับความเพียรเหมือนกับคุณจา้านะคะแต่ แล้ว เ, เราได้ฟังที่พระอาจารย์ตอบคุณแม่น้องตะวันกับคุณจ้ามาก็พอจะเข้าใจว่าความเพียร น, นี่คือแยกกันเป็นเพียรด้วยตันหากับเพียรด้วยฉั น, นท้าทีนี้หนูก็อยากมีหนูก็อยากรู้ว่าความเพียรที่เราจะทำนี่มันเป็นความเทียนความเพียรแบบไหนที่เป็นความเพียรที่ที่ถูกต้อง huh? อะคะถ้าเพียรหาเงินนะตอนก็เป็นตันหาถ้าเพียรหาธรรมากก็เป็นถูกต้องเป็นฉันท้ม ถ้าเพียนเพียนเพียนนักเพียนทำบุญทำทานเพียรนักษาธีลเพียนภาวนาเนี่ยเป็นเป็นธรรมะแต่ถ้าเพียนไปหาเงินอยากได้ได้เงินมากขึ้นเพิ่มงานเพิ่ม job ขึ้นมาเนี่ยเป็นตันหาความอยากเป็ น, นกิ เ, กเลสก็อย่าไปหาโลกธรรมโลกธรรมนี่เป็นกิเลสถ้าไปหาธรรมนี่เป็นเป็นเป็นธรรมะาทานเสริมภาวนา เป็นมากทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์การทาทานรักษาสินภาวนาะนี่พาให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์การไปหาลาบยุตสารเสริญสุขพาให้จิตใจติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอาจารย์นั้นอยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็ไปหาลาบยุตสารเสริญสุขถ้าอยากจะหาอยากได้นิพพานยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ไปหาทานสินภาวนาะ พอใจ ย, ยังพอใจแล้วจ้ะค่ะมีอะไรไหมอืสัมสมาวายามะ ก, ก็คือความเพียรแล้ววิริยะความพยายามนี่ตัวเดียวกันอยู่ในตัวเดียวกันหละจ้ะคืะ ว, วิริยะคือความเพียรสัมมาวายามะ ก, ก็เป็นความเพียรอาจจะเป็นภาษาบาลีก็าอาจจะมีตัวทดแทนกันได้ แล้วกินข้าวแล้วละประทานข้าวนี่มันก็ตัวเดียวกันใช่ไหมแล้วมันต่างกันยังไงคะสัมมาวยาโมกับสัมมาก็ต่างกันว่ากินข้าวแล้วรัประทานข้าวมันต่างกันตรงไหนเนอ่ยต่างกันแค่ชื่อแต่ใช้แทนกันเลยใช้แทนกันเลยอืมเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็ที่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะมันแปลความหมายเป็นไทยมันเหมือนกันเป็นความเพียนเหมือนกันความเพียนชอบวิริยะก็คือความเพียนอัมมาวยาโมก็คือความเพียนชอบสัมมาวาย มันแค่ตัวเดียวกันเพียงแต่ภาษาบาลีเขาอาจจะมีมีมมีีวิธีพูดหลายหลายหลายแบบด้วยกันก็เหมือนที่เรากินเนยรับประทานโดยแดกอะอย่างงี้มันมันก็คำเดียวกันใช่ไหมล่ะแล้วค่ะคำหมายเดียวกันแต่คําพูดมันไม่เหมือนกันอืมแ้วค่ะพอเข้าใจอ่ะพอเข้าใจมากขึ้นแล้วเจ้าค่ะอาจารย์ แล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรถ้าไม่มีความเพียรใ น, นหลุดพ้นไม่ได้เพราะสติจะไม่เกิดปัญญาก็จะไม่เกิดนต้องมีความเพียรเจริญสติมีความเพียรเจริญปัญญาพอมีสติมีปัญญามิมุติหลุดพ้นก็จะตามมาค่ะนั่งเครื่องจากกรุงเทพไปถึงโอซาออ ก, ก้ากี่ชั่วโมงอ่ะ น, นูนั่งเครื่องจากเชียงใหม่เจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งแค่นั้นเองค่ะอาจารย์แล้วในกรุงเทพหน่อยไหมเร็วค่ะอาจารย์ดีมากเลยค่ะต้องมีมีออกทุกวันแล้ว่ามีอาทิตย์ละครั้งมีออกทุกวันเลยเจ้าค่ะอาจารยมีคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเชียงใหม่เยอะนะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็คนไทยตอนนี้ก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมากเลยค่ะทั้งลํานี้แบบมีแต่คนไทยก็ดีร่าเกลียนกันมีอะไรไหม ไม่มีแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์จะพยายามปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ะไม่ให้ทิ้งความเพียนะความเพียรค่ะนะเขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์นอนนังเชนใส่ชดอะไรเนี่ยียนนี้ทบุญค่ะอาจารย์ทบุญยังไม่เสร็จเลยพอดีมีตักบาทที่ทำงานนะคะว่าอาจารย์เอเช้าถ้ามีตักบาทก็เลยก็เลยแต่งช มาตั้งแต่เช้าติดสี่งชุดด้วยค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพอาจารย์ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันป่วยกลับมาก็โอ๊้นี่นะเกิดมาก็ต้องเจ็บพอะเจ็บก็ปฏิบัติลําบากเหลือเกินเป็นอะไรแบบป่วยก็เป็นอุปสรรคอยู่เหมือนกันว่ะอาจารย์ค่ะก็เห็นแล้วว่าเนี่ยร่างกายเราพอมีป่วยคว้าเลยนะ มันเวลามันแบบไม่ค่อยท่าจริงๆใช่เนื้วเจ็บบ้างเนื้อแก่บ้างเนื้วตายบ้างใช่คระอบบาจารย์ถ้าเราแบบแก่ไปกว่านี้มันจะยิ่งยากอะ่ะมันไม่เหมือนแบบเราเป็นหนุ่มสาวร่างกายยังมีสมรรถภาพที่ดีอก็ก็เลยรู้ว่าแบบชว่วงเวลาทุกๆุกเวลานาทีมันมีคุณค่าจริงๆว่าจะรยล้ยิ่งพอร เ, รเราดูแล้วโอ้โหจะนั่งปฏิบัติก็ ทั้งกินยาเข้าไปก็ป่วยก็แบบจะนอนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้า้นสอนให้เราเตือนใจเลยว่าสังขารไม่ของไม่เที่ยมจงเน้นความเพลยรเ น, น้นน น, นการทำคุณประโยชน์กับตนท่พูดให้ถึงพร้อม้วก็ไม่ประมาณเดินใช่ค่ะนี่ต้องท่องเอาไว้ทุกทุกวันงน แ, แนบจิตแนบใจออเห็นก็ ก็ทำคับปฏิบัติไปด้วยอาจารย์สอนดีที่สุดคือปฏิบัติบูชาครับ อ, อ า, าจารย์ถูกต้องโอเคสาดีแต่อาจารย์รักษาธาตุขันนะคะจ้าอืมา ค, คุณตายพัทยาตายน้อมก่าแล้มาสการค่ะพระอาจารย์ ว, วันนี้ว่าอยจาหน้าช่วงนี้ไม่ค่อยเจอหน้าเท่าไหร่เลยที่วัน ใช่ค่ะเพราว่าโยงไปไปกระถินค่ะพระอาจารย์ <laughs> ใช่ค่ ะ, ะกระถิ่นแล้วก็ช่วงนี้ก็กําลังอต่อสู้กับความอยากวันนี้ว่าอาจารย์ได้เรื่องความอยากพอดีแต่หนูก็ยังอสลัดความอยากของออกไปไม่ได้เลยพระอาจารย์มันตั้งสองสามวันผ่านไปแล้วยังไม่วางไม่โปรงเลยค่ะพระ<ไ>อาจารย์แบบประมาณว่าพโอยากที่แบบไม่ไม่ใช่ค่ะมันเกิดขึ้นกัน มันเกิดขึ้นกับโยมแต่ว่าโยมไม่รู้จะสลัดมันออกยังไงก็คื อ, อ, อแบบว่าเราคิดว่าเราคนอื่นนะเขารักเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาหน้าขนาดนั้นเขาไม่ได้รักเราอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันก็เลยว่าเออเราก็ทำดีแต่ทาไมเราไม่โดนรักหรือไม่ถูกรักตามที่เราคิดว่าเขา่คงต้องรักเราจริงๆอะไรเงี้ยพระอาจารย์ แล้วเราจะสลัดมันออกอยังไงแล้วก็โยมก็พยายามรักษาใจว่าเออก็เพราะเราอยากไงเราอยากให้เขารักไงพอเขาไม่รักแล้วก็พอเขาไม่รักแล้วเราก็รู้สึกน้อยใจเสียใจถ้าเราแล้วเราจะทำยังไงให้คิดให้ตีมันตกไปว่าเราอย่าไปอย า, อยากเรื่องว่าให้ใครมาลักเราหรือว่าชอบเราเราเราเราตีประเด็นตัวเนี้ยออกไปได้ยังไงคะพระอาจารย์ เเราสั่งเขาได้หรือเปล่าส้านเขาล้างเราได้หป่าไม่ได้อะค่ะใช่ไม่ได้แล้วก็ก็อย่าก็อย่าไปหวังว่าอยากเข้าเลยเมื่อเราสั่งเขาไม่ได้ถ้าไปร้านก๋วยเตีย๋ยวสั่งก๋วยเตีย๋ยวแล้วเขาไม่เาก๋วยเตี๋ยวมาให้เราเราจะเราจะไปกินร้านนั้นไหมคือคือเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศมองให้เข้าไปเห็นว่าเป็นดินฟ้าอากาศเราสั่งดินฟ้าอากาศได้ไหอเป่าไอ้ฝนตกแดดรอเวลานั้นเวลานี้ เจ้าขายแล้วก็รเราค่ะแล้วเราจะถ้าเราคิดคิดอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพระอาจารย์มันถึงจะหายไปใช่ไหมคะใช่ก็ทุกครั้งที่คิดถึงเขาที่เขาเป็นดินฟ้าอากาศไปเราจะไปเอาอะไรกับดินฟ้าอากาศนะเจ้าค่ะพระอาจารย์จะลองเมื่อกี้ก็ลองนั่งนั่งนั่งดูว่านั่งฟังมันก็เบาลงบ้างแต่ว่าจะสลัดจะออกอยังไงเดี๋ยวถามพระอาจารย์ดีกว่า ก็เราไปสั่งเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้เขาจะรักเราหรือไม่รักเราเนี่ยเราไปทำอะไรเขาไม่ได้เจ้าค่ะนั่นเราจะทําตัวเราก็จะทําตัวปกติของเราใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่เราก็ทำํำเราก็ทําความดีต่อไปไม่รู้ใครจะมาชมเราไม่ชมเราไม่สนใจเพราะความดีมันให้ความสุขกับเราอยู่แล้วเจ้าค่ะ S <S กับพระมคุณฑาจันแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปนั่งนั่งคิดนั่งคิดแล้วก็นั่งตัดมันออกไปให้ได้คะ่ะพระอาจารย์นองคิดไปเรื่อยๆนาะ้ค่ะกาบพระคกุณฑาคอะอ่าคุณปุ้ยอ่า ร, รักเสมออ่าขอบนม่สการค่ะพระาจารย์พระอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีจ้าวี่นี้ท่ากทินก<อ>ี่วันะ ออยังยังไม่ถึงยี่สิบเลยพระอาจารย์เอ่อเมื่ออาทิตเรียบร้อยไปแล้วสามวัดค่ะแล้วก็เดือต้นเดือนพฤศจิกาจะมาอีกแล้วก็ยมวางแผนยมวังแผนยมก็เลยไปถามข้อมูลคุณหลานิดหน่อยยมก็จะไปร่วมบุญกับพระอาจารย์พอดีเห็นว่าจะวันเกิดพระอาจารย์จะเบิร์ตเดย์พระอาจารย์ยมก็เลยไปบูญน้องหลานเขาพระาจารย์คะยม กลัวผีเหมือนกับคุณเอ่อที่พูดมาก่อนนะแล้วเมื่อวันนี้โยมจะต้องอ่ะอ่านําดอกไม้ไปที่สุสานโยมกลัวมากเลยพระอาจารย์ช่วยโยมด้วยนะโยมไม่มีเรื่องอะไรหรอกไม่มีปัญหาอะไรเลยพุทธโธพุทธโธไปพระเจ้าบอกเวลากลัวอะไรก็ให้นึกถึงพุทธโธพุทธโธไว้คือคือโยมตกตกตกกระจายคือว่ามันมันเหมือนอะไรมาเดินตามแต่โยมถามว่า โยมอาจจะจิตม่ตกไปเองว่าหลงอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะหืวาดฝันไปหรืออะไรจิตไม่ึนงงอุปทานก็เลยอุปทาน่เพราะว่าทุกทีเลยพอโยมเข้าไปในสุสานนะมันมันเหมือนมีอะไรเดินตามโยมอะ่ะแล้วแล้วโยมกลับมายมไม่สบายอะ่ะโยมก็เลยคิดเออุตสา่าห์ไคือว่าโยมจะทําอย่างนี้ดีไหมคือโยมจะทําคอนแทคกับผี โยมจะไปอ่านให้ผีมันฟังว่าฉันเนี่ยจะแผ่บุญให้เธอแต่เธอยังมาหลอกฉันดีไหมคะพระอาจารย์แล้วก็เอาหมดก่อนจะไปทํำมันต้องรู้ก่อนว่ามีผีหรือเปล่ามันไม่มีผีได้ไปทําอะไรกับใครน่ะต้องเจอผีก่อนถึงจะไปทําเท่าได้กลัว่าพระอาจารย์คือความกลัวจิตมันปรุงแต่งอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็บอกให้ใช้พุทโธก็ไม่ใช่เน่ย พุทโธเดี๋ยวมันก็หยิบความปรุงแต่งได้ความกลัวมันก็จะหายไปพีก็จะหายไปเข้าใจั้ยเข้าใจค่ ะ, ะโยมปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมถือศีลเจ็ดครึง่งกลางวันแล้วก็หลังหกโมงโยมก็ถือสีแปดแล้ว โ, โยมก็นั่งขึ้นค่ะดีจ้าอาธุจ้าใช่คือ ถามว่าโยมไม่เห็นนะพระอาจารย์โยมไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์แต่ว่าโยมจิตมันนิ่งค่ะมนนิ่งก็เดิมขอให้มันนิ่งง่ก็พอจะเห็นอะไรไม่เห็นไม่สําคัญถ้าเราจิตนิ่งแล้วไม่นิ่งนะแล้วมันไม่ค่อยฝันแล้วว่าพระอาจารย์มันนิ่งได้ถ้ามันนิ่งมันท่านยิ่งนิ่งเท่าไหร่มันยิ่งไม่ค่อยฝันเท่าไหร่เพราะเมื่อก่อนโยมฝันแล้วโยมฝันเห็นตัวเลขด้วยแต่นี้ไม่ค่อยฝันเลยอ่าโอเคนะตัวใจพอ น้อมถวายบุญกับพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วโยมขอให้พระอาจารย์พัดขันแข็งแรงเ จ, จ้าค่ะจ้าสาธุจ้าสาธุค่ะอ่าบัณฑิเป็นประนามต่อกลับมาสักการครับพระอาจารย์ลูก ไ, ไม่มีคําถามเจ้าค่ะรูกก็จะคล้ายๆคุณมาลีแล้วก็คุณหมออนนอนนนงค่ะก็ปฏิบัติ อยู่อย่างสม่ำเสมอเลยเจ้าค่ะไม่มีคำถามจ้าค่ะโอเคดีมากอไปที่จอยเป็นไงจอย <c oughs> พที่าได้ยินไหมค ะ, ะได้ยินชัดเจนค่ะฟังหนูยังไเป็นไงคะ่ะหนูก็ฟังปฏิบัติะะตา ม, ม <ะ S 2> ทีมเมื่อไหร่จะมาปฏิบัติที่วัดด้ออ่ยกหนูตั้งใจว่าปีใหม่ถ้าไอคนโตมันกลับมาจากเชียงรายอาจจะไปค่ะ อ๋อให้ดูให้ดูแลฝากน้องไว้เลยใช่ค่ะถ้าเขามาให้เขาเลี้ยงน้องแล้วก็ไปได้อืเพราะว่าไอตัวไอตัวนั่นมันยังอยู่ปหนึ่งต้องไปส่งเช้าเย็นทุกวันโอเคค่ะดเดี๋ยวพูดหนูไปใส่บาตแล้วก็วันเกิดพระอาจารย์วันที่สองแม่แม่จะไปใส่บาตด้วยอ่าสาธุพระออพาจา ร, าาจารอาอย์อายุเท่าไหร่ครับอ๋อจะทำเว้ยนะ ที่หนูตอนนี้เจ็ดสบหกย่างย่างเจ็ดเจ็ดอ๋อถ้าวันที่สองนี้ฟอจันก็เจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมอ่าใช่แก่อนก่อนนั่นงเจ็ดสหกอยู่กิดปรรีคุณ2อ9สีเกาูนะลองดูค่ะอ่าไม่แน่นะ่อาจจะรวยได้นะวันที่แล้วศนหนูก็ได้อาจะรวยก็ได้นะาา ว, นะวันที่เจ็ดเจ็ดดูเลยฮะสาธุ่ะ อ่าทุกเจ๊งไเจ๊งไม่นับประกันนะไม่ <laughs> ไม่ฮะไม่ไม่โรคอะแค่พ อ, อนี่เฉยฮะของปากของคอนะค่ะอ่าทุก<ะ>คุณจิฟต์อ่าคุณจิฟต์แรงแรงกล่าวในวัชกา ร, การหลว อ, อาจารย์ยงกาลังทําอุ้ยเจ็ดเจ็ดหลว อ, อาจารย<ะ>นนะ์ยงกลับมายทําตัวเอง ต้องไปขอบคุณแม่อวันดีโยมไปทําสกัถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะบาอาจารย์โยมก็เจอ่ถาดถาดที่ทําพุ่งกระิ่นนะ <c oughs> ก็เขียนเลขเจ็ดเหมือนกันค่ะบาอาจารย์ไม่เลยยัง <c oughs> โยมก็เลยอุ้ยอุ้ยสวรรค์ส่งเลขมาหรือเปล่าแต่วมาบาอาจารย์ก็บอกเจ็ดด้วย <c oughs> <c oughs> อะไรสำหรับไอเจ็ดหัวก็เจ็ดเจ็ดกินเลดมาแล้วอท้าก่อนค่าก่อนค่ากันแบบนี้แพ้จาย์สบายดีนะเจ้าค่ะเราไม่ได้ใบหวยนะบอกให้ร้ก่อนก็ถามว่ามิสไซก็บอกตามเดี๋ยวเป็นแบบเดี๋ยวเป็นแบบคนตื่นทำนะจารย์มีคนมาถามมาซะเยอะเดี๋ยวโดนเข้าด่าไวยไม่ใช่มีคนมาถามเขาอะค่ะไอคนตื่นทำค่ะว่างวนี้ออกอะ้ร แกก็ลาคาญแกก็เลยบอกว่าศูนย์ศูนย์แล้วมันออกศูนย์ศูนย์จริงจงอาจารย์ต้องระวังตัวไว้นะเดี๋ยวโดนตัดคลิปนะคะแล้วมันออกเจ็ดเจ๊ดจริงๆนะพระอาจารย์พระอย์ไม่เจอแก่ไม่ออกนะเราเราไม่เคยมีวาสนาทั้งยืนนะคนนามาขอเลยก็ไม่มีพ่ะโยงก็ไม่มีค่ะพระก็ไม่มีอะไรค่ะคือแค่จะเล่าที่นึ่งคือเมื่อวานนะ้ค่ะอยู่ดีๆ ที่ทํางานโยมอะค่ะมันมีเรื่องเซอรพรส์ก็คือผู้ชายอ่าพนัก ง, งานคนนึงเขาเป็นอาวุโสเขาจะเกษียณเดือนธันวาใช่ไหมคะอีกแค่สองเดือนในนักพระอาจประกวดเมื่อวานนี้อยู่ดีๆเขาโดนไล่ออกเลยอ่ะค่ะอืมเินได้ไม่ต้องจ่ายค่าค่าใช่โยมแบบฮะทาไมทําไมคือแบบคือบริษัททําไมถึงเป็นแบบนี้หนยมไม่เข้าใจจริงๆนะคะแต่เขาพิเศ์กับคนทั่วประเทศว่าเออบริษัทดีช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โยมมองว่าเออ เขาก็จะเกษียณอีกสองอาทิตย์เอ้ยสองเดือนแล้วนะทำไมยูไม่ให้เขามีแบบความรู้สึกสบายใจในการเกษียณไปแบบเหมือนกับทํำลายจิตใ จ, ใจใเขาช็อกนิดนึงนะะอ่ะค่ะก็ไม่แน่แล้วก็จะไม่รู้สาเหตุก็เลยอาจจะมีอะไรผิดได้แรงไม่ฝ่าไม่ได้มันไม่มีเลยค่ะเพราะขนาด<ม>อ a r t n e r ที่อยู่สาขายมก็ยังไม่ทราบเรื่องมาทราบเรื่องพร้อมกันแลนะะ้วค่ะเมื่อวานตอนบ่ายโมงะคะ่ะ<ม>ก็เลยคิดว่าเขาคงไม่อยากจะจ่ายเงินค่าเงินเดือนสองเดือนที่เหลืออะคะ่ะ ก็เลยมองว่าแบบอืคนเรามันอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนทุกคนตอนนี้ก็เลยระวังตัวกันไปหมดเลยว่าเมื่อไหร่สงสัยโยมต้องเด็นเรอนี้จังทุกขังหน้าตาไหมใช่ค่ะใช้มันก็ทําให้เราคงไปเลยแบบโดยที่แบบไม่ตั้งความหวังกับอะไรเลยไม่ตั้งความหวังกับการเลื่อนตําแหน่งไม่ตั้งความหวังกับโอนันไม่ตั้งอะไรเลยแต่โยมตั้งความหวังกับเลขเจ็ดเจ็ดพระจานทร์นะคะเอาเลยไม่ถูกเลยโอ้ยสาธุค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่โยมซื้อไม่เป็นค่ะโยมไม่มีโชคมค่ะ ครับให้จันทัด แ, แข็งแรงนะเจ้าคะ่ะสาธุเจ้คาค่ะคุณหมอนาทวทุฒิชครับกลนะับนะสกานพระจานท์ครับมีอะไรไหมอ๋อไม่มีครับวันี้เข้ามาฟังธรรมครับอโอเคอันนงานยังเต็มยังเต็มที่เล อ, อ๋อไม่ไม่ค่อยมีแล้ครับที่แล้วก็ไปที่เชื่อทีวีเซลเอกกลับมาเดี๋ยวมีแค่ของอาทิตย์หน้าที่ อาสาวทิตย์หน้าที่เขาจะมีประชุมใหญ่สมาคมก็จะมีเลคเชอร์เยอะนิดหนึ่งคะแล้วก็จะมีคนให้ลงเป็นนายกสมาคมแต่คิดว่าคงไม่เอาหค์งปฏิเสธทางรับยดสารเสริญครับมาปฏิบัติธรรมติดมาครับโอเคสาธุราบวดูแล้วก็ไม่งั้นก็โผูกไปเรื่อยๆต้องตัดก็อยากแต่ว่าก็คงไม่ใช่ทางที่ถูกต้องไปทางดีกว่าสาธุครับแต่เดี๋ยวคง ตรงแรกปฏิบัติธรช่วงไปปีครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพอประสักขาราอีกทีว่าท่านจะให้วันเมื่อไหร่แล้วก็อจยู่ที่วัดตันประพิดแล้ค่อยค่อออกไปีอยู่กับอาจารย์ครับนะโอเคครับคุณหมอสุทัศนีนินมัสการท่านอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคนไปได้คนพิเศษสกลนคร การนมันสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์อะไรเข้ามามไรแต่ทีเดืด <laughs> ก็ไม่ ก, ก็ไม่มีครับพระอาจารย์แต่ก็เห็นก็คือว่าเห็นตัวเองที่ทำสมาธิภาวนาก็คือว่าพอสติเราไม่ค่อยดีก็เป็นผลให้ความคิดมันปรุงแต่งฟุ้งซ่านอยู่ข้างนอกเรียกว่าฝุ่นตลบเลยแล้ ว, ว่ากันง่ายๆอความคิดตัวเนี้ย <laughs> อ่าแต่ถ้าแต่ถ้ามีสติมันก็จะค่อยๆเบาลงเบาลงครับก็จะประมาณนี้ครับอาจารย์ต้องต้องพุโทโธไปๆเลยค่ะพุทโธพุทโธพุทโธไปๆไปความคิดตัวนี้เป็นภั ย, ยครับอาจารย์ที่ผมคิดนะใช่ส่วนใหญ่เป็นปัญญาิชาเป็นกิเลสครับคิดคิดไปตางกิเลสครับเป็นครับก็จ ะ, ะญญประมาณนี้แหละครับอาจารย์ โอเคพยายามอยู่ค <uh ิดด้วยสติพ no ุทโธพุทโธไปเลยเลยครับครับครับไปจังค่ะค pues ุณแนทกับคุณป้าเชิญอาทิตย์หน้มาฟังธรรมให้กุเตนะใช่ครับใช่ครับกับนมัสการพระอาจารย์เชิญก็ไปกับไปกับเพื่อนด้วยครับเพื่อนอีกท่านหนึ่งครับอืมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะไปอีกครับพระอาจารย์เพราะอาทิตย์หน้าได้จองขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนเขาค่ะอ๋อจะขึ้นบนจอเนย เป็นเป็นครั้งที่สองนะคะปีที่แล้วหนูเคยไป<อ>มาทีนนะคะ<า>ก็ชอบค่ะอาจารย์สงบดีค่ะเดี๋ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรน่ากลัวนะไม่ไม่น่ากลัวเลยค่ะจุกแล้วก็อยู่สบายผ่ ะ, ะอาจารย์เดีแต่ตปียกเว้ยมากค่ะอาทิตย์นี้ได้ต้องพยายามแบบเตรียมสติไว้ก่อนค่ ะ, ะอาจารย์เพราะครั้งที่แล้วไปเดือนที่แล้วไปไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบุญ ล, ล้อม่ะค่ะ พอตอนที่ไปมันก่อนที่จะไปคือไม่ได้เตรียมคือเหมือนทำงานเต็มที่เราพอไปก็เหมือนไปเริ่มฝึกสติไปแบบไปปรับตรงนั้นนะคะพอเริ่มเข้าที่ก็กลับพอดีอะคะะอ่ะอาจารย์อามันต้องพยายามดันสติอยู่บ่อยๆค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์มามาเอามาเข้ามาเพื่อเสริมความเพียคพรค่ะอาจารย์อ่ า, าสาอาจารย์พัดแผนถึงแมค่ะสาธุอ่า คุณเจนดากลับมาสักการเจ้าท่าพลาจาร์ค่ะกลับถึงประมาณบ่าการั่นแหละวันนี้อยู่คอนโดศิรชชาค่ ะ, ะวันนี้ไม่ได้กลับค่ะพอดีมันยุ่งมากเลยอะค่ะท <laughs> ่อแตกท่อน้ำมันแตกอะคะ่ะอะไรเงี้ยอืมก็เ <laughs> ลยยุ่งยุ่งทั้งวันเลยค่ะก็เ <laughs> ลยอยู่ต่อแต่วันนั้นวันนั้นเออ หลังจากลงจากเขามาใช่ไหมคะก็กลับไปบ้านแล้วก็เ อ, อไปเจริญสติทีนี้มันมีเช้าวันหนึ่งอะค่ะพระจานทร์แบบตื่นมาตอนประมาณสักหกโมงก็เข้าห้องน้ําเสร็จก็มานอนนอนพิจารณาแล้วก็แล้วก็ลวกเลูกกะชอบนอนภาวนาค่ะพระจานทร์มีความรู้สึกว่าเวลานอนแล้วแขนที่มันสัมผัสกับพื้นนะคะกับที่นอนหรืออะไรเงะะี้ยค่ะมันได้มันไ ด, มนได้มันได้สติอะค่ะพระจานทร์ มันมันมันสามารถดูดูสติได้อะไรเรื่อยๆค่ะอาจารย์อย่าหลับอย่หลับก็แล้วกันค่าค่ะอาจารย์แล้วรอบนี้มันมันมันมีช่วงที่มันเออคือมันมันเหมือนไปห่ออะค่ะอาจารย์ไปห่อมาค่ะไปไปก็ก็ก็ปกติจะจะมันเหมือนฝันนะคะอาจารย์แต่ว่ามันเหมือนจริง มันก็เหมือนจริงมันเหมือนมีสติอยู่อะคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันเราเราไม่ได้ยึดว่าเป็นตัวเป็นร่างกายอะคะ่ะพระอาจารย์มันเหมือนมันพุ่งไปออกไปข้างนอกนะคะ่ะพระอาจารย์แล้วมันก็ไปก็ยังไปยังไปเจอคนตายเลยคะ่ะที่ที่วัดพอีบ้านอยู่ในซอยวัดแล้วในวัดเขามีงานกระถิ่นนะคะแล้วก็คุ ณ, คณตาคนเนี้ยจะเป็นมัคคทายกเก่าเขาจะจะจะต้องมาช่วยงานวัดอยู่แล้วนี้เขาเสียชีวิตไปนานแล้วะคะ่ะแล้วเจอเขาอะคะ่ะไปยังผ่าน เหาะผ่านหัวเขาไปเลยค่ะเขายัางเขายัางหันมาถามเลยอ่ะตายแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะแล้วลูกก็ยังบอกว่ายังไม่ตายมาเที่ยวเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วลูกก็กําหนดจิตกําหนดจิตต่อค่ะพระอาจารย์ซึ่งจะดูว่ามันไปได้เร็วแค่ไหนเร็วเอ่อเร็วขึ้นได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไปมันแล้วมันก็จะมีช่องอะค่ะพระอาจารย์เป็นช่องเหมือนท่อเป็นรูอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์อยู่ในอากาศ แล้วลูกก็มุดเข้าไปเลยแบบไม่ได้กลัวคือปกติจะกลัวความสูงกลัวความเร็วกลัวอะไรเงี้ยคือทดลองเลยค่ะรอบนั้นคือทดลองแล้วก็พุ่งมุดเข้าไปค่ะพระจานทร์แล้วมันไปออกไปออกไปจั ก, กรวาลไปไปเห็นดวงดาวอ่ะค่ะพระจานทร์เต็มไปหมดเลยเราก็เลยมัน ม, มีผุดผุดเข้ามาในความคิดนิดนึงว่าถ้าถ้าไปเยอะอะเดี๋ยวมันจะกลับไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วลูกก็เลยดึงตัวดึงกลับมาโดยโดย โดยท่ precise, องว่ากับหนอกับหนอก็พิบมาพิจารณาร่างกายต่อค่ะพระอาจารย์มันก็กลับไปที่ร่างกายอะไรเนี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะคะพระอาจารย์แล้วแล้วตอนที่ออกไปนอกเหมือนมันออกไปนอกโลกค่ะพระอาจารย์มันยังคิดเลยว่าเรื่องเรื่องทั้งโลกทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงทั้งคนทั้งสถานที่ทั้งอะไรทุกอย่างเนี้ยมันมันเป็นเรื่องนิดเดียวเล็กนิดเดียวเองค่ะพระอาจารย์มันเป็นเรื่องเด้เล็กมากไม่สาคัญไม่มีอะไรสําคัญเลยมันมันได้ตรงนั้นมาหน่อยหนึ่งค่ะพระอาจารย์ แล้วลูกก็เลยหยุดหยุดหยุดหยุดแบบนั้นไปก่อนนะคะก็คือหยุดเพราะว่าไม่คือพอดีว่าไปไปเรียนสอบถามเ อ, อหลวงพ่อที่อื่นมาบ้าง่ะคะ่ะเ อ, อท่านก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะเพี้ยนอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ลูกก็เลยหยุดไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้แบบไปทางนั้นต่ออะไรเงี้ยค่ะอย่ไปไปกับเพี้ยนแน่แน่ <c oughs> <c oughs> อยู่กับพุดโธอยู่กับความสงบนะนั่งสมาธิแม่ใจสงบ ไม่ใช่ไปตามรู้เรื่องต่างๆค่ะถ้าอ า, าจารย์ถ้าไปก็แสดงว่าหลงค่ะแล้ว่าเดียวก็จะเพี้ยนตามสิ่งที่เราเห็นค่ะอาจารย์พอมันจะไปต้องดึง ม, มันกลับ ท, ทันทีเลยนะยปล่อยให้มันไปอ๋อค่ะอาจารย์ยังกลับมาที่อาการ32ก็ได้กลับมาที่พุทโธก็ได้ค่ะค่ะยังนั่งสมาธิยังนั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆ เ, เนี่ยจิตมันจะลากพาเราไป คตามนิมิตต่างๆค่ะค่ะต้องมีตงสติกํากับใจนะค่ะค่ะพระอาจารย์โอเคมีอะไรไหมก็ก็เอ่อมันก็มีเรื่องที่แบบว่าลูกก็พยายามอืมตอนนั่งสมาธิก็ดีนะคะพระอาจารย์มันก็ไม่ไม่กระเพื่อมเลยอะค่ะตอนนั่งสมาธิมันไม่กระเพื่อมเลยมันมันมันแบบ แล้วตอนนี้ก็รักษาอารมณ์แบบว่าไม่ดีใจไม่เสียใจอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เพรพอแล้เรารักษาอารมณ์ตรงนี้ได้แล้วเราคอยตัดนิวรณใช่ไหมคะที่อ อ, อารมณ์แบบบางทีคิดถึงเออเก่าๆหรือนูน่นนี่อะไรเงี้ยที่ทําให้เรารู้สึกเอเศร้าหมองเล็กน้อยหรือคิดถึงวันเก่าๆหรืออะไรเงี้ยค่ะพอมันพวกนี้มาลูกจะออ น, อนิวรณตัดนิวรณตัดอะไรเงคะคะี้ยค่ะพอาจารย์ก็ก็ตั้งสติตั้งสติกับปัจจุบันนะคะอาจารย์ พอตัด mm hmm. ไปเรื่อยๆแล้วเวลาเออเวลาที่เราทาบุญหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใจมันก็ไม่ได้ฟูอะไรมันก็เฉยๆหมดอะค่ะอ า, าจารย์แต่แต่ก็แต่ก็ทําอย่างวันนั้นไปช่วยลูกค้าปกติจริงๆเอ่อเดือนเนี้งานลูกก็ยังไม่เต็มอะค่ะอาจารย์แต่นี้พอวันนั้นไปช่วยลูกค้าปกติลูกค้าจะต้องทําเอ่อเขาเรียกว่าให้เคสแลกเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยค่ะคือเอ่อต้องซื้อเราอะไรเงี้ยลูกก็ไม่เอาอะไรเงี้ยลูกก็แบบ ไม่ต้องอะไรเงี้ยวันนั้นลูกช่วยก็คือช่วยออกมาอย่างเงี้ยก็ก็ช่วยเฉยๆเราก็ออกมาเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราก็ไม่ได้แบบมาถือว่าตรงนั้นเป็นเป็นบุญเป็นอะไรเงี้ยแต่ลูกรู้สึกสบาใจเล็กๆว่าเฮ้ยเราสวนกิเลสนะเราสวนกิเลสได้อะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็มานั่งพอนั่งสมาธิจิตมันจิตมันวันนั้นมันมันก็ดีค่ะพระอาจารย์มันนิ่งมันนิ่งมันไม่กระเพื่อมไม่อะไรเลยค่ะไม่อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์อื mm hmm. นนั้นคะ พยายามนให้มันได้ไงมันสงบมันดีที่สุดนะ <Okay. S 2> ดค่ะอาจารย์โอเคได้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะคุณวางวไลศีราชาเป็นกันไม่มีคําถามเจ้าค่ะอ่าอย่างไปได้คุณคุณเหน่งต่อคุณเหน่งเนี่ปไห้ไม่ได้นะะ อรัผมไม่เจอแว่าวนิม า, ารครับอาจารย์พูดดังๆเลยจ้าข่าวนิมมสการครับอาจารย์วันนี้ระบบอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยเสถีจจรยรเจ้าค่ะยังไม่ไ ม, มีคํำถามเจ้าค่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปฟังธรรมาน้ากุติเจ้าค่ะได้เชิญสาธุเจคะเห็นไปที่คุณน้าต่อคุณน้ามีคําถามเท่าไหร่แบบนิมมสการครับอาจารย์ มีคำถามทั้งหมด3ามคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติกับพอจอ่อพระอาจารย์สุชาติเจ้าค่ะกรับนามสการพระอาจารย์ครับคำถามข้อที่หนึ่งผมได้รับหนังสือโครงการสร้างโรงพยาบาลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งเล่มแต่มีรูปหลวงตาพระมหาบัวอยู่ในหนังสือผมไม่ได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือถ้าไม่มีภาพหลวงตาผมคงจะนำไปทิ้งแล้ว ซึงขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนําว่าผมควรจะทําอย่างไรกับหนังสือที่ไม่ได้ใช้เหล่านี้ครับถ้าผมเอาไปทิ้งจะบาปไหมครับก็เก็บไว้เฉยๆไม่ได้ก็มีมาต้องนานแล้วก็เก็บไว้ต่อไปก็แล้วกันถ้ามันไม่เกบกะบ้านอะไรก็เก็บไว้ต่อไปหนังสือมันก็มันก็เป็นหนังสือคําถามข้อที่สอง มีความเชื่อกันว่าการที่ท่องบทสวดมนต์ทุกวันจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญและผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีรบกวนพระอาจารย์ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับอนิสงส์ที่ได้จากการสวดมนต์ด้วยครับการสวดมนต์ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการเจริญสติให้จิตเราเนสติคอยควบคุมความคิดต่างๆความคิดไม่ดีเราก็หยุดมันได้ความคิดที่ดีเราก็ส่งเสริมมันถ้าเราสามารถ ทำให้ใจคิดแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีไม่ให้คิดได้ชีวิตก็จะเจริญก้าวหน้าได้แต่ไม่ได้แ่าเขาจะเจริญด้วยราดยศเสริญสูงเจริญด้วยคุณธรรมคำถามสุดท้ายจากคุณยศสวดัดีดิฉันเพิ่งสวดมนต์และนั่งสมาธิค่ะแต่ไม่สงบเลยใจไปคิดนั่นคิดนี่ตลอดเลยขออาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ พราไม่มีสติต้องพยายามเจริญสติก่อนที่จะมานั่งพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเอาตัแต่ลมตาขึ้นมาเลยพอลมตาขึ้นมาก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจต้องไปทั้งวันพอเวลาว่างก็มานั่งสมาธิแล้วจิตก็จะสงบได้ง่ายทำทานหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสาหรับวันนี้ ก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิเนปิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ